ก็ความในอัตถกาถาคุตกานิกายอุทานสุปปวาสาสูตรเนื้อหายาวมากเลยนะเนื้อหาที่เป็นพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งถ้าหากว่าผู้ใดมีความรู้มีความเข้าใจปลูกฝังศรัท ธ, ธาให้ตั้งมั่นในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ดังที่กล่าวไปแล้วเ น, นะเชื่อว่าเขาเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นแน่นะเป็นผู้ที่ประสบแต่ความเจริญนี่มาขึ้นพระพุทธคุณบทว่าตถาคตในยะที่เจ็ดเนี่ยนะผ่านไปแล้วหกข้อนี่มาขึ้นข้อที่เจ็ดว่าในหน้า252อ่ห้าอนะ พระองค์ชื่อว่าตถาคตเพราะไม่ปราศจากพระยานอันทองแท้ถามว่าเป็นอย่างไรก็คือพระองค์ชื่อว่าอาคตะเพราะไม่มีการไปกล่าวคือความเป็นไปอันเป็นค่าศึกต่อพระยานในการสร้างส ม, สมโพธิสมภาร น, น่นะคือ <c oughs> การปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะน่นะ ว่าไปแล้วกล่าวไปแล้ว <c oughs> ที่บอกว่าไม่มีการไปกล่าวคือความเป็นไปอันเป็นค่าศึกต่อพระยานในการสร้างสมโพธิสมภารหมายถึงว่าการปฏิบัติของพระองค์นั้นเนี่ยนะเป็นการคล้อยตามพระยานทุกประการ เป็นยังไงการปฏิบัติทุกอย่างของพระองค์นั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องกับพระยานคือเป็นการปฏิบัติเพื่อการอุปการะแก่พระยานชั้นสูงจริงๆเนี่ยเป็นการสร้างสมพระยานเนี่ยนะสร้างสมสิ่งที่พระองค์ทำทุกอย่างเนี่ยนะมุ่งต่อพระยานโดยส่วนเดียว ก็ความที่พระองค์ไม่ปราศจาก พ, พระญาณ น, นั้นจึงชื่อว่าตถาคตเพราะไม่ปราศจาก พ, พระญาณอันเป็นไปโดยนัยะมีการพิจารณาโทษและอ น, นิสงส์เป็นต้นโดยไม่ผิดแผกในธรรมะมีความตรนีและบารมีเป็นต้นคือทุกอย่างที่พระโพธิสัตว์ท่านกระทำเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทุกอย่างจะผ่านการใคร่ครวญทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของทานบารมีเนี่ยนะ ท่านจะเหตุพิจารณาโทษของความตรณีทุกประการทุกแง่ทุกมุมว่าถ้าการไม่ให้ครั้งหนึ่งเจตนาที่ตรณีครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันมีผลต่อไปอย่างไรบ้างท่านมองผลแห่งความตนีได้อย่างตลอดสายเห็นโทษของความตนีจริงๆว่าความตณีเนี่ยนะผลออกมาเป็นยังไงเราพคงนึกภาพออกว่าถ้าการตรณีหนึ่งครั้งเนี่ยภาพที่ออกมาควรจะเป็นอย่างไร เนี่ยนะความเป็นคนทุกข์ความเป็นคนยากความเป็นคนเดือดร้อนความเป็นคนลำบากเนี่ยนะความตกยากทั้งหลายความเดือดร้อนทั้งหลายความขัดสนทั้งหลายความขัดสนเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมาจากความตนีเนี่ยนะันขบอกว่าคำว่าไม่มีวันก่อนยมมาเล่าให้ฟังว่าแม้คำว่าไม่มีเนี่ยเป็นคำที่ได้ยินเป็นปกติของชีวิตว่างั้นเถอะยอมก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละ ก็บอกว่าคำว่าไม่มีเป็นคำที่ที่ใช้บ่อยที่สุดมนในชีวิตนี้คิดจะทำอะไรก็ไม่มีแต่คำว่าไม่ไม่ไม่นำหน้าหมดเลยเพราะนั้นอันนี้คือโทษของความตณีนะในอดีตเคยตนีไว้แล้วบางคนก็บอกว่าก็เพราะว่ามันไม่มีจะให้นี่สินะจะว่าจะไม่ให้ตนีได้ยังไงเพราะตัวเองไม่มีจะให้ไอคำว่าให้ในที่นี้เนี่ยนะ เราก็ชอบเอาวัตถุไปเปรียบกับผู้อื่นว่าผู้อื่นให้เช่นใดเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ให้เช่นนั้นเราชอบไปคิดแบบคนอื่นชอบไปทำเรียนแบบคนอื่นไม่เริ่มคิดตามเป็นจริงของตัวว่าจริงจริงแล้วตัวเองทำอะไรได้บ้างเจริญกุศลอะไรได้บ้างแม้แต่ดอกไม้ดอกเดียวก็เป็นการให้น้าแก้วเดียวก็ชื่อว่าเป็นการให้นะให้ข้าวทัพพีเดียวก็ชื่อว่าเป็นการให้ ให้ข้าวให้น้ําให้ดอกไม้ให้ของหอมให้ประเทพโคมไฟแม้กระทั่งเทียนเนี่ยนะบาทเดียวได้ตั้งหลายดอกก็มีได้หลายเล่นเลยนะบาทเดียวเนี่ยเล็กๆ เ, เนี่ยนะมันโดยที่สุดแม้ทําเล็กทําน้อยก็ค่อยๆสะสมอัธยาศัยที่จะมีการให้ไปก่อนเราก็ไม่ต้องไปเรียนแบบพระราชามหากษัตริย์ที่เรียกว่าท่านดูเหมือนคนที่มั่งมีจริงๆดูเหมือนเขาให้มากแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มาก ของเราก็เหมือนกันเราก็ให้ตามสมควรแก่ฐานะของเราแต่ว่าทำยังไงเราจะได้ทำได้บ่อยทำได้มากขึ้นต่างหากก็เพราะเราไม่เคยได้ให้มานี่แหละเราจึงเดือดร้อนให้และลึกถึงไว้เสมอว่าความเดือดร้อนความทุกข์ความยากความลำบากก็เนื่องจากเราเป็นคนปฏิเสธในการให้นะมันก็เห็นโทษของความตรนีโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็เห็นอนิสงของการให้ทาน ว่าถ้าหากว่าให้ทานนั้นมีคุณานิสงอย่างไรผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้ทานเป็นอย่างไรคนที่ให้นั้นขณะที่ให้สภาพจิตเป็นเช่นใดอา น, นิสงของการให้ทานนั้นอา น, นิสงแปลว่ากำไระนะกำไรที่เกิดจากการให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรก็สามารถสรุปได้ทั้งหมดนั่นแหละนี่ต่อไปโทษของการทุศสีลเช่นว่าฆ่าสัตว์ครั้งหนึ่งอ่ะมีผลกับชีวิตต่อไปอย่างไร ทราผู้อื่นแม้แต่ชิ้นเดียวจะมีผลกับชีวิตต่อไปอย่างไรนะผิดประพฤติผิดในการมหนึ่งครั้งเนี่ยมีผลต่อชีวิตอย่างไรพูดโกหกหนึ่งครั้งมีผลต่อไปอย่างไรในชีวิตแม้กระทั่งดื่มสุราแก้วเดียวเนี่ยจะมีผลต่อไปอย่างไรแก่ชีวิตนี่นนะหรือพูดคําหยาบหนึ่งครั้งมีผลอย่างไรพูดให้คนอื่นเขาแตกแยกสามัคคีกันหนึ่งครั้งมีผลต่อไปอย่างไรคําพูดที่เลวไหลไร้ประโยชน์เนี่ยมีผลอย่างไร มันก็พิจารณาถึงพิภัยโทษภัยของการล่วงศีลโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงอา น, นิสง์ของการรักษาศีลว่าการรักษาศีลเนี่ยดีอย่างไรถ้าเรางดเว้นจากปานาติบาทผลต่อจิตใจเป็นอย่างไรผลต่อกำรรต่อไปในอนาคตเป็นต้นเป็นอย่างไรก็ไข้ครวญอย่างนั้นนี่แหละอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรักษาศีลนคนที่รักษาศีล โดยที่เห็นโทษของการทุ่มศีลเห็นอ น, นิสงค์ของการรักษาศีลศีลของเขาเนี่ยยั่งยืนนะเป็นเจนศีลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักโทษของการทุ่ศีลไม่เห็นอ น, นิสงค์ของการรักษาศีลเชื่อได้เลยว่าเขารักษาศีลอยู่ได้ไม่นานแม้กระทั่งการเจริญเนคข ม, มะเนคข ม, มะก็คือการอบรมสมถะทั้งหลายการเจริญเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะ การเจริญเมต่านั้นถ้าหากว่าไม่เห็นโทษของโทสะจริงๆก็ยากที่จะบริหารเมตตาให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องเห็นคุณของการเจริญเมตตาการเจริญอสุภาษก็เหมือนกันต้องเห็นโทษของการถือโดยสุภานิมิตแล้วเห็นอนิสงค์ของการถือโดยอสุภาษสัญญาอ บ, บรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอ บ, บรมปัญญาปัญญาบารมีนี่เห็นโทษของการไร้ปัญญาอย่างไร ถ้าไม่มีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยชีวิตเป็นอย่างไรแล้วชีวิตของผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยปัญญานี่เจริญ ง, งอกงามอย่างไรอ่า น, นะคนเกียดคร้านมีผลอย่างไรคนที่มีความเพียรเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับอา น, นิสงส์อย่างไรจริงๆน่าจะให้เขียนมาคนละข้อคนละข้อเขามาเขียนคำถามให้นะยอมก็ไปบรรยายมาเขามาก็ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย ก็มันพิจารณาบ่อยๆนะว่าโทษของการละเมิดหรือหมายความว่าไม่บำเพ็ญบารมีเนี่ยอย่างเราทั้งหลายเนี่ยในอดีตเมื่อ20อสงไขย40 80อสงไขยที่แล้วไม่เคยคิดจะบำเพ็ญบารมีเลยทั้งๆ ท, ที่วัตตะก็อยู่มายืดยาวใช่ไหมไอ้ความที่ไม่เคยสั่งสมอุปนิสัยวิวัตตะมาจึงไม่ได้ตรัสรู้สะทีหนึ่งนะแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ก็มาเริ่มนะอย่างน้อยก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ได้เนี่ยนะ บางท่านก็บอกว่าขอนับเป็นอะไรนะชาสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าหลายท่านก็ขอนับหนึ่งใหม่ก็ยังไม่สายหรอกเห็นไหอีกแสนกลับข้างหน้าจะตรัสรู้ก็ไม่ได้สายอะไรถ้าเทียบกับสังสารวัตที่มันยืดยาวนานท่า น, นก็เริ่มปลูกฝังอัธยาศัยปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ให้แก่เราสรุปว่าพระโพธิสัตว์นั้นสิ่งที่ท่านทําทุกอย่างได้รับการพิจารณาถึงโทษหมด และอานิสงส์โทษของอะไรโทษของการไม่ให้ทานโทษของการไม่รักษาศีลโทษไม่เจริญเนฆามะโทษของการไม่มีปัญญาโทษของความเกียจคร้านโทษของการไม่มีความอดทนโทษของการไม่มีสัจจะโทษของการไม่มีอธิษฐานคือจิตไม่ตั้งมั่นโทษของการขาดเมตตาและโทษของการไม่เจริญอุเบกขาพระองค์นี้เห็นคุณเห็นอานิสงส์ของการให้ทาน เห็นคุณเห็นอานิสงค์ของการรักษาศีลเห็นคุณอานิสง์ของการเจริญเนคขมะเห็นคุณเห็นอานิสง์ของการอบรมปัญญาเห็นคุณเห็นอานิสงค์ของการมีความเพียรเห็นคุณเห็นอานิสงค์ของการขันติมีความอดทนเห็นคุณเห็นอานิสงค์ของการมีคําสัตย์คําจริงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการอธิษฐานเนี่ยนะของจิตที่ตั้งมั่นที่จะเจริญกุศลไปเรื่อย เห็นคุณของเมตตาและเห็นคุณของการเจริญอุเบกขาเห็นคุณของบารมีสิบเห็นคุณของอุปปารมีสิบเห็นคุณของปรมัทธาบารมีสิบเห็นคุณของการมหาบริจาคทั้งหมดเพื่อเป็นเหตุให้ได้ตรัสรู้โพธิญาณเป็นเหตุให้ตรัสรู้อริยมรรคจากการศึกษาพระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่า ในงในด้านทั้งก่อนตรัสรู้ในด้านการตรัสรู้ในด้านพระคุณต่างๆตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่เราคงได้คติได้แบบอย่างของการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดชีวิตของเราที่ยังเวียนว่ายอยู่นี้ถ้ายังไม่ตรัสรู้เราก็ขอใช้ชีวิตคล้ายๆพระโพธิสัตว์คล้ายกันตรงที่ว่าการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้นของเราก็เพื่อโพธิญาณเหมือนกัน เป็นอะไรเป็นสาวกกระโพธิยานเป็นต้นขอเป็นสาวกของพระองค์นะนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้ขอให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ขอเป็นสาวกเดรัจฉีก็ใช้ได้แล้วนะขอให้ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ได้ตรัสรู้คำสอนให้มีจิตใจเนี่ยเบนไปอย่างชัดเจนไม่ใช่ล่องลอยไปะนะไม่ใช่ล่องไปเรื่อยวันวันหนึ่ง เป็นการใช้ชีวิตที่มุ่งต่อการตรัสรู้จริงๆเป็นการใช้ชีวิตเพื่อการตรัสรู้เป็นการใช้ชีวิตเพื่อบรรลุมรรผลทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตของผู้ที่ดำเนินในวั ต, ตะก็มีการประกอบอาชีพเป็นต้นอาชีพที่เราทำกิจการงานที่เราทำก็ทำไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของผู้ที่อยู่ในโลกอย่างไรก็ต้องอาศัยปัจจัยสอย่างไรก็ต้องอาศัยปัจจัย4 แต่เราใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อปัจจัยสี่เท่านั้นหรือถ้าได้ปัจจัยสี่แล้วเพื่ออะไรเช่นว่าถ้ามีเครื่องนุ่งห่มแล้วเอาเครื่องนุ่งห่มแต่งไปทำไมมีอาหารมาบริโภคบริโภคอาหารเสร็จอิ่มแล้วเพื่ออะไรมีบ้านเป็นที่อยู่ที่หลับที่นอนเมื่อหลับนอนพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรกรบอกว่าถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็จะได้มียาฉันยารับประทานน่นะ เมื่อหายโรคแล้วเอาสุขภาพที่ดีไปทำอะไรตรงนี้แหละที่ที่เราคงว่าชีวิตนี้เพื่ออะไรเพื่อการเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลใดที่ยังไม่เจริญก็ตั้งไว้เพื่อจะเจริญกุศลใดที่เคยเจริญเอาแล้วก็รักษาต่อไปแล้วก็เพิ่มพูนอย่างนี้ไปเรื่อย นั้นเราก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามพระองค์ได้นเนี่ยนะขอให้มีอุปนิสยัยตั้งอัธยาศาัยเอาไว้ให้ให้ชัดเจนทันเบื้องต้นที่สุดก็คือความชัดเจนต่อไปว่าอันหนึ่งพระองค์ชื่อว่าอาคตะเพราะไม่มีการดำเนินไม่มีการดาเนินไปพระองค์เนี่ยไม่มีการไปในคติทั้งหฉานั้นขณะนี้ไม่มีผู้ใดถามหาว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน นะตอนนี้ในี่ใครบอกได้มากพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนใ น, นคติห้านรกไปถามหามีไหมมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นไหมไม่มีในหมู่เดรฉ า, านทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าอยู่ฝูงไหนไหมไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในเปรตสิบสองจำพวกนี้อยู่กลุ่มไหนไม่มีเป็นมนุษย์ในทวีปใดไม่มีเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนไหมไม่ใช่อยู่ที่พรหมโลกหรือไม่ใช่ พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าอาคตะเพราะไม่มีการไปในคติทั้งห้าแล้วกล่าวคือความเป็นไปแห่งอภิสังขารคือกิเลสหรือกล่าวคือความเป็นไปแห่งขันท่านเองตอนนี้เนี่ยนะขันของพระพุทธเจ้าไม่เหลือจริงๆรูปประขันก็ไม่เหลือแล้วเอาแล้วพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ก็ไม่ใช่อุปาทินะกะขันแต่เป็นอนุปาทินนกะขันไปแล้ว เพราะว่าไม่มีชีวิตรูปเกิดอยู่ด้วยเมื่อไม่มีชีวิตรูปอยู่ร่วมด้วยก็เป็นอนุปาทิน ก, กะไม่ใช่อุปาทิน ก, กะเพราะกรรมไม่ได้ยึดครองเพราะไม่ใช่ผลของกรรมแล้วพระบรมสารีริกธาตุที่เรากราบไหว้บูชาเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยมาจากการตรัสรู้ของพระองค์แต่ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเพราะถือว่าอาวินิพกครูแปดมีอุตุเป็นสมุทฐานเท่านั้นเองเนี่ยนะปัอภิสังขากรกล่าวคือ รูปประคันก็ไม่มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ดับแล้วที่ที่ไหนสารวโนทยาเนี่ยนะก็คือในอุทยานของเจ้ามละทั้งหลายที่เมืองกุศินาราเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและกรรมมชรูปดับโดยประการทั้งปวงพร้อมกับจุติดจิตของพระองค์นั่นเอง จะกล่าวไปยายถึงกิเลส ท, ทั้งหลายกิเลส ท, ทั้งหลายพระองค์ดับได้สิ้นเชิงที่ไหนที่ต้นพระศีมหาโพนี่นะที่ต้นพระสี ร, นะรสิมหาโพธิ์พระองค์ดับอภิสังขารขันอภิสังขารคือกิเลสได้หมดสิ้นที่ต้นพระศีมหาโพธิ์พระองค์นี้ดับปฏิสนธิในภพใหม่ทั้งปวงด้วยอนุภาพของอรยิยมรรคที่โคนพระศีมหาโพธิ์แต่ดับวิบากและกรรมมชลุบที่เรียกว่าดับขันปรินิพานที่ น, นะเมืองกุสินาราภาวะที่พระองค์ไม่เป็นไปนี้นั้นโดยทรงบรรลุสุ ป, ปาทิเสสานิพานธาตุที่ต้นโพบรรลุอนุปาทิเสสานิพานธาตุที่กุสินาราเนี่ยนะด้วยอริยมรรคอย่างทองแท้อโนภาพของอริยมรรคนี่แหละทาให้พระองค์ดับกิเลสได้อโนภาพของอริยมรรคทําให้พระองค์ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพระตถาคตเพราะเป็นการไปไม่ปราศจากญาณที่ท่องแท้คือการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ก็บำเพ็ญด้วยด้วยใช้พระญาณนี่นำหน้าหมดเลยการให้ทานของพระองค์ก็ญาณสัมปยุ์การรักษาศีลของพระองค์ก็ญาณน่สัมปยุ์คือประกอบด้วยปัญญาการอบรมเนื้อธมะของพระองค์ก็ประกอบด้วยปัญญาการเจริญปัญญาของพระองค์ก็ประกอบด้วยปัญญาให้เป็นยังไงปัญญาประกอบด้วยปัญญาขัดกันหรือเปล่า ไม่ขาดหมายคาว่ามีปัญญาเป็นอุปนิสัยเพื่อการเจริญปัญญาเนี่ยนะปัญญาเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเรียกว่าทำด้วยเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยปัญญาสรุปว่าทุกอย่างทุกประการที่พระองค์ทาประกอบด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาที่ในแม้กระทั่งขั้นสุดท้ายเป็นปัญญาอาศัยปัญญานี่แหละทำให้พระองค์ตรัสรู้อริยมรรคนะแล้วชีวิตของพระพุทธเจ้า ไม่มีขณะใดาที่ปราศจากปัญญาพระพุทธเจ้ายังไม่พบว่าพระองค์เนี่ยชาวนะทั่วไปรวมๆแล้วขาดปัญญาเพราะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างคล้อยตามปัญญานนะคล้อยตามปัญญาหมดเลยปัญญานี้ไม่ได้คล้อยตามกายวาจาใจนะแต่กายวาจาใจของพระองค์ทั้งหมดคล้อยตามปัญญามีปัญญาดูแลควบคุมหมดเลยเพราน แล้วก็แม้กระทั่งตอนดับขันปริณิพานก็ใช้ด้วยปัญญาเกือบทั้ ง, งหมดเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งถ้อยคําที่อุทานในคัมภีร์นี้ก็มีปัญญาเป็นสมุทฐานแต่เป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับปีตินั่นเองฉันจึงเชื่อว่าตถาคตเพราะไม่ปราศจากปัญญาเลยนะของเราได้นับถือผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้อนาคตต่อไปต้องมีปัญญาแน่แนไต้องโตโลกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่มีปัญญาได้ยังไงนนะ เมื่อไหรไม่ไม่มีปัญญาจะว่าไงเอาก็ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสิขณะใดที่ขาดปัญญาใช่ไหมลูกศิษย์ใครเอาลูกศิษย์มารตอนนี้ก็ยังเลือกอะไรนะพระอรหันต์หลายท่านท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าบำเรอ ม, มารแต่บัดนี้ข้าพเจ้าบำเรอพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนอุปถากมารขันธามารกิเลสมารเป็นต้นตอนนี้มาอุปถาพระพุทธเจ้าแล้วของเราก็อุปถามารเป็นครั้งคราวก็เอาอุปถากพระพุทธเจ้าเป็นหลักก็แล้วกัน นี่มาดูพระตถาคตข้อต่อไปอีกว่าพระองค์ชื่อว่าตถาคตเพราะมีภาวะคือดําเนินไปโดยท่องแท้เป็นอย่างไรบทว่าตถาคตะภาเวนะได้แก่โดยสภาวะที่ทรงดําเนินไปโดยท่องแท้อธิบายว่าภาวะที่พระองค์ดําเนินไปโดยท่องแท้มีอยู่ ถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เฉลิมพระนามว่าพระตถาคตเพราะความที่พระองค์ดำเนินไปโดยทองแท้น่ะคืออะไรที่ดำเนินไปอย่างทองแท้ก็คือดำเนินไปในพระสัตรธรรมพระสัตธรรมนี่มีหลายอย่างใช่ไหมหนึ่งสัตธรรมคืออริยมรรตสสัตธรรมคืออริยผลสสัตธรรมคือนิพพานสี่สัตธรรมคือปริยัตปริยัตอริยมรรอริยผลและนิพพานนะ อ้าวทำไมไม่บอกว่าปฏิบัติเออนะน่าจะมีคําว่าปฏิบัติตกหล่นหายไปหรือเปล่าไม่หายอ้าวไปไหนอ่ะ อ, อยู่ตรงไ<ร>หนก็บอกว่าก็การดําเนินนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติดําเนินไปตามปริยัพนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติดําเนินเพื่อให้อริยมรรคอริยผลเกิดนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติการดําเนินเพื่อทําให้แจ้งพระนิพพานนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติอดําเนินนั่นแหละคือปฏิบัติแล้วล่ะไปหาปฏิบัติที่ไหนอีกมางั้นเพราะฉะนั้นสรุปว่า พระองค์เนี่ยดำเนินเพื่อพระสัทธรรมพระสัทธรรมอันดับแรกคืออริยมรรคอนอธิบายว่าพระองค์เนี่ยดำเนินไปโดยประการที่ทรงถอนกิเลสอันเป็นปฏิปักได้โดยเด็ดขาดด้วยพลังคือสมถะและวิปัสสนาอันเนื่องกันเป็นคู่จึงทรงบรรลุด้วยสมุทเฉธป า, าปานตอนต้นก็อบรมสมถะก่อนนะคว่าสมถะนี่กว้างแค่ไหน อธิศีนและสิกขาอธิจิตตสิกขาเรียกว่าสมถะเนี่ยนะนะพระองค์นี้ดําเนินอธิศินลอธิขาอธิจิตตสิกขาเป็นการอบรมสมถะเจริญอธิปัญญาสิกขาเรียกว่าวิปัสนาถ้าสมถาวิปัสนาคู่กันเมื่อไหร่ขณะนั้นเนี่ยเป็นอริยมรรคอริยมรรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการถอนกิเลสโดยสมุเทเฉทปหานเป็นการถอนกิเลสโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะก็นะนะ อนุภาพของอริยมรรคเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆเพราะคําว่ามรรคแปลว่าฆ่ากิเลสเนี่ยนะฆ่ากิเลสและเป็นเหตุให้สแสวงหาพระนิพพานเหตุให้ตรัสรู้พระนิพพานพอบรรลุอริยมรรคก็ยังไงก็อริยผลใช่ไหมพระสัทธรรมคืออริยผลเนี่ยนะที่พระองค์ทรงไปคือดําเนินไปโดยประการที่พระองค์ทรงบรรลุด้วยปฏิปัสส์ที่ประหารตามสมควรแก่ อริยมรรคเนี่ยนะบนรรลุอริยผลตามสมควรแก่มรรคที่เป็นความจริงอะนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เนี่ยใช้ชีวิตดําเนินไปด้วยการเข้าพระสมาบัติใช่ไหมสัปดาห์แรกก็เข้าพระสมาบัติคืออรหั ต, ตผลสมาบัติหลังจากนั้นก็เข้าอริยผลสมาบัติมาเรื่อยๆจวบจนก่อนจะดับขันปริณิพานก็เข้าพระสมาบัติซะส่วนใหญ่ ความที่พระองค์เข้าพระสมาบัติมากนี่แหละเรียกว่าพระองค์เนี่ยดำเนินไปเพื่อผลธรรมดําเนินไปเพื่ออรหัตตผลสมาบัตินั้นชีวิตอรหัตมร ก, กับอรหัตตผลต่างกันยังไงต่างกันไหมต่างกันหรือเปล่าต่างกันโดยชาติอรยิยมรรคเป็นชาติกุศลอรหัตตผลนี่เป็นชาติวิบาก แต่ตามสภาวะไม่มีความต่างกันชวนกิจเหมือนกันสภาวะอริยมรตมีองค์ประกอบเท่าใดอริยผลก็มีองค์ประกอบเท่านั้นจึงตามสภาวะนั้นไม่มีความต่างกันไม่มีความต่างกันไม่ต่างกันโดยสัมปยุทธธรรมไม่ต่างกันโดยอารมณ์พันธ์พระองค์ก็ใช้ชีวิตด้วยการเข้าพระสมาบัติตามที่ต่างๆที่ใดที่พระพุทธเจ้าประทับยืนเดินนั่งนอน ให้รู้ว่าโดยมากที่นั้นๆเนี่ยพระองค์เคยเข้าอารหัตผลสมาบัตินะเนี่ยที่ที่พระองค์ไปประทับยืนประทับเดินประทับนั่งประทับนอ น, นเนี่ยที่ตรงนั้นพระองค์เข้าพร ะ, ะสมาบัติแล้วนะแม้กระทั่งที่พระเชตวันใช่ไหมที่พระคัมภีกุตีนี้พระองค์ก็อยู่ด้วยพระสมาบัติเช่นที่บอกว่าหลีกเร้นหลีกเร้นนะพระองค์หลีกเร้นก็คือหลีกเร้นไปเข้าพระสมาบัตินั่นเองอันนี้เป็นอะไร พระองค์เนี่ ย, ด ำ, รรออยดำเนินไปในพระสัทธรรมคืออริยพจน์เนินไปในพระสัธรรมคืออริยพโดยที่สุดแม้แต่แสดงธรรมใช่หอย่างที่พระองค์ตรัสกับสัจจกนิครณเนี่ยนะว่าพระองค์นั้นมีใจพรากออกจากสังขารเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าช่วงเวลาที่พุทธบริษัททั้งหลายอนุโมทนาพระองค์ก็เข้าพระสมบัติได้ ต่อไปนิพพานธรรมอารมณ์ของอริยมรรคก็คือนิพพานอารมณ์ของอริยผลทั้งหลายก็คือนิพพานเพราะนิพพานก็เป็นพระสัตธรรมส่วนนิพพานที่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเสด็จถึงคือทําให้แจ้งโดยประการที่เสด็จถึงคือตรัสรู้ด้วยปัญญาสําเร็จด้วยการสงบทุกข์ในวัฏะทั้งสิน้นนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่สงบประ ง, งับดับสังขารโดยไม่เหลือ เป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สิ้นทุกเป็นธรรมที่เพิกถอนอะไรในวัตตะเป็นธรรมที่สงบวัตฏะเนี่ยนะพระองค์นี้ชื่อว่าพระตถาคตเพราะดำเนินไปในเอ่อดำเนินไปตามพระสัทธรรมคืออรยิยมรรคดำเนินไปตามพระสัทธรรมคืออริยผลแทงตลอดพระนิพพานทีนี้ปริยัตบ้างวาแม้ปริยัตก็ชื่อว่าตถาคตปริยัตเนี่ยก็ชื่อว่าตถาคตนะ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงดําเนินไปคือตรัสได้แก่ประกาศปริยัติเนี่ยนะเป็นเป็นยุคสมัยที่หลายท่านก็บอกเขาเป็นนักปฏิบตัติกลัวปริยัติมากก็บอกว่ากลัวพระพุทธเจ้ามากออน่าเห็นใจเนาะเขาเขาจะปฏิบัติแล้วเขาไม่เอาปริยัติแล้วก็แปลว่าเขาจะปฏิบัติของเขาแล้วนะเขาไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วอา้าวถ้าแปลาตามศับเนะี่ยมันจะอย่างนั้นนะ แปลแล้วแปลอีกเนี่ยมันตีความไปตีความมาเขาบอกเขาปฏิบัติเขาบอกเขาไม่ไม่เอาหรอกนั่นมันปริยัตทั้งนั้นแหละเขาจะปฏิบัติอย่างเดียวก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวฉันจะขอเดินทางของฉันเองนะฉันฟังพระพุทธเจ้ามาเยอะแล้วบัตรนี้เป็นต้นไปฉันขอเดินไปแต่ทางผู้เดียวนะเอาปริยัตมาคิดก็ไม่ได้เพราะนั่นปริยัตไม่คิดอีกนะนะเขามีผู้มาถามบอกว่าท่านปฏิบัติยังไงก็เอาปริยัติมาคิดโอ้ยนั่นปริยัตไม่ใช่ปฏิบัติวะ ไอ้ปฏิบัติมันเป็นยังไงก็บอกทําแบบเขาเป็นปฏิบัติเออก็ปฏิบัติแบบเขาอะนะเราก็ไม่เถียงว่าไม่ปฏิบัติก็ปฏิบัติเพราะข้อปฏิบัติบางอย่างนําไปสู่นรกข้อปฏิบัติบางอย่างนําไปสู่เปรียกข้อปฏิบัติบางอย่างนําไปเดรัชานข้อปฏิบัติบางอย่างนําไปสู่มนุษย์ข้อปฏิบัติบางอย่างนําไปเป็นเทวดาไอ้ของเราก็อยากจะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอะนะพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงเราก็จะทําตามนี่แหละว่างเงนแต่ทําได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งนะจะทําทั้งน้ําตาก็ขอทำไปเถางเงน ทำได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งก็เชื่อว่ายัางไงพระพุทธเจ้านี่จัดแจงประโยชน์ให้เราแน่นอนอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์พระองค์ห้ามแล้วละ่ะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นั้นพระองค์บอกแล้วถ้าเราจะทำตามปริยัติเสียหายตรงไหนเราเคยนับถือคําของคนอื่นทั่วไปก็นับถือเป็นตั้งมากมายถ้าได้ดีได้ดีมานานแล้วแต่ขอชาตินี้ขอทำตามพระพุทธเจ้าสักชาติดูซิจะไปยังไงยังไงทาไมเราไม่เอาอย่างนี้บ้างอะเนาะ มันปริยัติเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะเพราะเป็นพระพุทธพจน์อ่ะนะอะไรก็ตามใช่ไหมถ้าแม้กระทั่งลายเซ็นเนี่ยถ้าลายเซ็นของผู้ใดมีไปก็เท่ากับผู้นั้นไปด้วยใช่ไหมในโลกนี้นะเช่นถ้ามีลายเซ็นมีภาพถ่ายมีเอกสารประกอบก็เหมือนกับว่าผู้นั้นไปแล้วฉันใดนี่พุทธพจน์มาทั้งหมดเลยอ่ะน ะ, ะปริยัติทั้งหมดก็คือพระพุทธพจน์พระองค์นี้ประกาศพระปริยัติธรรมนั้นอ่ะนะ โดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้นอันพระพุทธเจ้าในปางก่อนทั้งหลายพระองค์เหล่านั้นก็ทรงประกาศให้สมควรแก่อัธยาศัยเป็นต้นของเวนยสัตว์นนะเหมาะตามอัธยาศัยหมดแล้วเนี่ยนะการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเข้าในสูตรไหนอยู่ในพุทธพจน์ทบทใดหลายๆท่านเข้าปฏิบัติไปเยอะๆเยๆเข้าเ น, นี่ยนะ ก็เลยถามเขาว่าไอ้ที่คุณปฏิบัตินี่คุณเอามาจากสูตรไหนเขางั้นเอามาจากสติปัญญานสูตรเอามาจากพยัญชนะบรรทัดที่เท่าไร่ในสติปัญญานไม่รู้ก็สติปัญญานก็แล้วกันนะ่ะนี่นะนี่นะเขบอกสติปัญญานก็แล้วกันนะ่ะเขาบอกสติปัญญานแล้วก็เดี๋ยวจะร่ายให้ฟังเนี่ยมันอยู่ในคําตรงไหนเขางั้นเอาไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกอ <c oughs> ไม่ถือมั่นนะ่ะนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะเอ้ไม่ถือมั่นนี่มันเป็นยังไงถือถ้าถือนี่ถือด้วยอะไร คพวกนี้ปริยัตมากจะคุยกับมันเลยมั้คุยแล้วเวียนหัวซักมากอันนี้มังนะ่งเลยิ่งแต่ถ้าบอกไว้ก่อนนะถ้าใครไปเที่ยวซักคนอื่นอย่างนี้นะบอกเลยว่าสร้างศัตรูวิธีสร้างศัตรูง่ายที่สุดเนี่ยถามเขาให้เยอะๆถามให้มากๆซอกแซกถามแล้วดึงข้อความตรงนี้โยงยงถามนะแล้วเราก็จะกลายเป็นศัตรูกันถาวร มันถ้าหากว่าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรจริงๆเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาขนาดนั้นเลยเหมือนกันแต่นี่เล่าให้ฟังเพรมันปริยัตทั้งหมดที่พระองค์ตรัสนั้นชื่อว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติของเวนยศัตว์หมดแล้วว่าอัธยาศัยของเวนยศัตว์เนี่ยมีกี่อย่างกี่ประการพระองค์รู้หมดแล้วเช่นว่าอัธยาศัยเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นการมัธยาศัยหรือเนคขมัธยาศัย อัพยาบาทพยาสายหรือพยาบาททยาสายทีนามิทธายาสายหรืออะโลกัดยาสายอัพยาสายเนี่ยของเขาเนี่ยอัธยาสายดีหรืออัพยาสายเลวเป็นต้นพระองค์รู้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะสอนตามอัพยาสายทั้งหมดแล้วมันสิ่งที่เราทําเราต้องสอบสวนได้ว่าปฏิบัติตามสูตรไหนอยู่สอดคล้องตามพระสูตรเหล่านั้นไหมถ้าขัดขัดเพราะอะไร ถ้าสอดคล้องเนี่ยมีสูตรที่ไหนมาสนับสนุนบ้างเราตีความเอาเองหรือว่าเป็นไปตามคำสอนมีหลายหลายแห่งรับรองเป็นต้นตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยผิดกับถูกมันใกล้กันนะตอนต้นนี่ใกล้กันนะแต่ตอนปลายนี่ห่างมาตอนปลายเข้าถ้าเราทำแล้วมันมันไปเกิดไปสบายใจเข้ามันเกิดไปปีติอะไรสักอย่างหนึ่งนะพวกนี้ปฏิเสธประยัิเลย ตอนต้นก็ปริยัติอยู่ดีๆตอนหลังก็ปฏิเสธไปเนี่ยนะก็ ม, มีไม่ใช่น้อยมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นเลยนะข้อพู้ที่มาศึกษาพระธรรมโดยเฉพาะที่นี้ก็ตั้งใจจริงๆว่าไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นปฏิบัติอะไรไม่ได้ก็ขอเอาปริยติเอาไว้ก่อนขอคิดตามขอพูดตามขอทำตามไปก่อนได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นนั่นแหละเพราะถ้ารัดมากเร็วมากก็ มันก็เหมือนกับอย่างว่าประกอบสัมมาอาชีพบอกแม้รายได้มันได้ช้าเหลือเกินโกงดีกว่าอย่างเงนะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าปฏิบัติตามตพุทธพจน์ก็บอกว่าแม้ตอนต้นๆก็ดูเหมือนช้าเหลือเกินขอเลือกทางเดินเองดีกว่าย่งเงนะเหมือนจะเร็วขึ้นนะก็มีพระรูปหนึ่งก็บอกโอ้ยมีแต่คนรีบปฏิบัติมีแต่รีบปฏิบัติเนี่ยนะเป็นพระภิกษุหนุ่มๆทั้งหลายก็รีบจะปฏิบัติเร่งจะปฏิบัติเอาไปเอามาเนี่ยนะเหลืออาจารย์อยู่คนเดียว เพราะลูกศิษย์ทั้งหลายปฏิบัติไปปฏิบัติมาปฏิบัติยังไงไม่รู้สึกหมดเลยใช่ไหมอันนั้นก็ต้องมาทําความเข้าใจให้ดีๆให้ชัดเจนให้มากๆสรุปว่าพระปริยัตทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นสอดคล้องตามอัธยาศัยคาสอนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุตตะเคยยะเวยกากรณาคาถาอุท า, อานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยพระองค์นี้แสดงไว้อย่างนั้นพระองค์ไปที่ไหนพระองค์ก็ไปแสดงแต่ปริยัต พระองค์ไปบอกการปฏิบัติไหมพระองค์ไปบอกปริยัติหรือบอกปฏิบัติไปบอกปริยัติส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตามตามคนนั้นเรียกว่าปฏิบัติแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเรียกว่าปริยัติปริยัตินี้เป็นพระสัธรรมเนี่ยนะปริยัตินี้เป็นพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งบทในธรรมังสารนังขะฉามนี้นะหมายถึงปริยัติอริยมรรคอริยผลและ นิพานนี่คือสารณะของเราอยากจะย้ําในส่วนนี้จริงๆเลยนะเพราะว่าเอาไปเอามาไปเริ่มเผลอกันเผลอไปเผลอมาแล้วก็กล่าวตู่คําสอนเอาไปเอามาก็เลยดีไม่ดียิ่งรักษาคําสอนก็รักษาหรือทําลายกันแน่ก็เหมือนอะไรนะเหมือนสมมติวนอะถ้ารู้เท่าไม่ถึงการนะเห็นแม่ปวดท้องเดี๋ยวช่วยผาให้แม่มันปวดตรงไหนเดี๋ยวจะรักษาเองอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะเข้าตําราเดียวกันสรุปชื่อว่าตถาคต เพราะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าดาเนินไปคือดําเนินตามโดยประการที่พระปริยัติธรรมนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอันนี้ก็ชัดเจนดีนะว่าถ้าสาวกของพระองค์ก็ปฏิบัติตามปริยัติที่พระองค์แสดงจึงจะเป็นลักษณะของสาวกสาวกเข้าเป็นอย่างนั้นคือผู้ฟังแล้วเอาไปทาตามทาตามอะไรตามปริยัติที่พระองค์แสดงนั่นแหละ เพราะเหตุอย่างนี้พระสัทธรรมแม้ทั้งหมดจึงชื่อว่าตถาคตพระสัทธรรมนั้นคืออะไรอริยมรรคอริยผลนิพพานแนวทางที่ชี้บอกมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าปริยัติสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติตามปริยัติท่านจึงมีการตรัสรู้ เพราะเหตุนั้นท้าวสักกะจอมเทพจึงได้กล่าวข้อความอันนี้ไว้ในรัตนสูตรรัตนสูตรนะคุตกะนิกายสุตตะนิบารัตนสูตรฉบับยหย่ๆในเล่ม47ท่านบอกว่าอะยานีทัพภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานิวะอันตลิกเเทถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัธิโหตตเนี่ยนะ แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันพระสาวกเป็นต้นดําเนินไปโดยท่งแท้อันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีเถิดถ้าอย่างนี้ก็อะไรนะพระธรรมอันสาวกเป็นต้นดําเนินโดยท่งแท้ก็ยานีทภูตานีสมาคตานีภุมมานิวายานีวะอันเตลิเเฮตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังธรมมังนามาสามิสังขังนามาสามิสุวัติโหโตเนี่ยนะ บันคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็ชื่อว่าตถาคตด้วยเหมือนกันแต่ตรงนี้เน้นที่พระองค์ชื่อว่าตถาคตคือดําเนินไปตามพระสัตธรรมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยดำเนินไปตามสัตธรรมคือทวนอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ตอนต้นเลยตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ดําเนินข้อปฏิบัติเพื่อสัตธรรมคืออริยมรรคพระองค์นี้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ดําเนินตามพระสัตธรรมคือการเข้าพระละ สมาบัติขณะเดียวกันก็เที่ยวสั่งสอนปริยัติให้คนรู้จักอริยมรรคให้คนรู้จักอริยผลให้คนเข้าใจพระนิพพานานะรวมทั้งเทวดาด้วยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะพระองค์มีพระสัตวธรรมนั้นเหมือนอย่างว่าพระธรรมฉันใดแม้พระอริยสงฆ์ก็ฉันนั้นอริยสงฆ์ก็ชื่อว่าตถาคต พระธรรมก็ชื่อว่าตถาคตพระสงฆ์ก็ชื่อว่าตถาคตตถาคตหมายถึงว่าเพราะดําเนินไปดําเนินไปโดยประการที่อันผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นบําเพ็ญข้อปฏิบัติคือสมถาวิปัสนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์ด้วยดีเป็นเบื้องหน้าแล้วจึงบรรลุอริยมรรคนั้นๆก็พระสงฆ์สาวกทั้งหลายคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อ ป ร, <ENA> ประโยชน์ของผู้อื่ a, อปานปฏิบัติเพื่อประโยชน์สองฝ่ายผู้ใดรักษาศีลอบรมสมถะและวิปัสสนานี่แหละชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราสงเคราะห์ผู้อื่นจนถึงกับยอมเสียศีลเนี่ยมันไม่ใช่สงเคราะห์ผู้อื่นนะนะพันผู้ใดรักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยถ้าผู้ใดเบียดเบียนตนผู้นั้นชื่อว่าเบียดเบียนผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเนี่ยะจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวคือไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นข้อปฏิบัติอันนั้นก็คือสมถะและวิปัสสนาอย่าลืมนะว่าสมถะคืออธิศีลสิศึกษาและอธิจิตติศึกษาวิปัสสนาคืออธิปัญญาศรริกขาสิ่งเหล่านี้ถ้าปฏิบัติก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคเขาเรียกว่าบุปภาคบุปภาคแปลว่าส่วนเบื้องต้น ส่วนเบื้องต้นนี้อธิศีนอธิจิตอธิปัญญาก็ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ด้วยดีการปฏิบัติที่บริสุทธิ์ด้วยดีนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้อริยมรรคนั้นๆเช่นข้อปฏิบัติศิกขาที่สมควรแก่โสดาปติมรรคข้อปฏิบัติที่เป็นสมถาวิปัสนาควรแก่สกท า, าคามิมรรคสมควรแก่อนาคาคามิมรรคและคู่ควรแก่การแทงตลอดอรหัตตมรรคเนี่ยนะเพิ่นพระสงฆ์ทั้งหลาย ที่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเช่นนี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในสมถวิปัสนาเพื่อบรรุญอริยมรรจึงชื่อว่าพระสงฆ์อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้และเพราะตรัสโดยประการที่สัจจะปฏิจจสมบตัติเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอ๋อคว่าพ ร, พระตถาคตแปลว่า ตรัสรสัรจจะตรัสรูปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นชื่อว่าตถาคตมีความหมายว่าแสดงอริยสัจแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นเทา้าส ก, กเทวราชจึงตรัสว่าข้าพระเจ้าขอนมัส ก, การพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปโดยท่องแท้สังขังนามัสสามิสวัตถิโฮตูเนี่ยนะอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมี อันนี้ก็ข้อความในรัตนสูตรเหมือนกันญาณีทัพูตานีสมาคตานีภุมิมานิวาญานีวาอันตลิกเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังขังนมัสสามิสวะผู้ทางสังขังนมัสสามะสวัติโหตุเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะพระองค์เป็นผู้เป็นผู้มีพระสงฆ์นั้นเป็นสาวกนะเป็นเป็นผู้มีตถาคตเป็นสาวกตถาคตหมายถึง พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นสาวกเ er พราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตตถาคตาเนี่ยแปลโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าไปอย่างนั้นนะตถาคตะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยไปอย่างนั้นอะ่ตะตถาตแปลว่าอย่างนั้นคตาแปลว่าไปไปอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์ก็ได้พระสงฆ์ท่านไปอย่างนั้นอะ่พะพระพุทธเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะมีพระสงฆ์ที่ดำเนินไปอย่างนั้นอะ่ะเป็น สาวกเนี่ยนะเพราะสาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการคําว่าตถาคตที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นแนวทางเป็นมุกเนี่ยแปลว่าแนวทางเป็นแนวทางในการแสดงภาวะที่พระตถาคตทรงดําเนินไปโดยท่องแท้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะพูดแบบภาษาไทยเราพอเป็นตัวอย่างพอเป็นอุทาหรณ์ก็พอเพราะอะไร เพราะพระตถ า, าคตเท่านั้นจะพันณ น, นาความที่พระตถ า, าคตดําเนินไปโดยท่องแท้ใครที่จะรู้ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงบุคคล น, นั้นก็คือพระพุทธเจ้าจริงอยู่บทว่าตถ า, าคตนี้มีอัฏฐะมากเนื้อหากว้างขวางมากมีคติคือความเป็นไปมากมีอารมณ์คือความรู้มาก พระธรรมมกถึกคือผู้แสดงธรรมเนี่ยนะนำพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแห่งตถาคตบทนั้นมาสรุปว่าถ้าอธิบายพระตถาคตนะเอาข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดอธิบายได้หมดเลยเหมือนอัปปามาทบทโดยสมควรเหมือนอัปปามาทบทนะไอความไม่ประมาทบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดประชมลงที่รอยเท้าช้างฉันดกุศลธรรมทั้งหมดประชมลงที่ความไม่ประมาท ฉันใดก็ดีพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะอธิบายเป็นพระตถาคตได้หมดเลยโดยภาวะมีประโยชน์ทีนี้ตอนที่พระธรรมกถึกแสดงอยู่แสดงพระพุทธคุณแบบนี้เนี่ยนะใครใครไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมกถึกเล่นไปโดยผิดท่าแลอย่าไปดูถูกท่านนะอย่าไปดูหมิ่นท่านว่าท่านเดินข้ออสอนผิดแสดงผิดเพราะว่าพุทธพจน์ทั้งหมดนี้อธิบายพระพุทธคุณบทว่าตถาคตได้หมดเลย เ <c oughs> สร็จแล้วพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็กล่าวรวบสรุปเป็นคาถาว่าพระมุนีทั้งหลายในปางกรผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงความเป็นพระสัพพันญูในโลกนี้โดยประการใดแม้พระสักยะมุนีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาโดยประการนั้นเพราะเหตุนั้นพระสักยะมุนีผู้มีจักษุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตเนี่ยนะ พระมมนีทั้งหลายในปางก่อนก็เช่นนะโดยทั่วๆไปก็จะยกเอาวิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสันธะโกนาคามะนักสปะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหาศีลขันอันใหญ่สมาธิขันอันใหญ่ปัญญาขันอันใหญ่วิมุติขันอันใหญ่วิมุติญาณทัสนะขันอันใหญ่แสวงหาการทําลายกองมืดอันใหญ่ก็คือแสวงหาการตัดสังสารวัตรอันใหญ่ จบจนถึงสแสวงหาอมตะนิพพานปรมตัตดอันใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยปฏิบัติเช่นใดจึงได้บรรลุความเป็นพระสัพพันญ์ูคือได้อาศัยธรรมนามเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราก็ปฏิบัติทุกประการคล้ายกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระสกยมุนีผู้มีจักสุ มีจักสุคือมีจักสุ5เพราะพระพุทธเจ้าของเรามีอันนะอนจักสุแบ่งเป็น2องทำไมสับก็คือมังสะจักสุกับทิปจักสุกอล้ขอไปมังสะจักสุกับยานะจักสุยานะจักสุก็แบ่งว่าเป็นธรรมจักสุธรรมจักสุนะอะไรปัญญาจักสุทิปจักสุสมันตะจักสุและพุทธจักสุ จักสุทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีจักสุอย่างนี้ที่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชาวโลกเลยเรียกว่าพระตถาคตมันพระตถาคตคือผู้มาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าตามมาภายหลังก็จะตามพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเรียนพระพุทธคุณในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะ เราก็ไปเรียนว่าพระพุทธเจ้าของเราสมองนะพระพุทธเจ้าของเราก็มาเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามโคดมนี่แหละอย่างนั้นนะก็ไปอ้างพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพราะพระพุทธเจ้าหลังๆก็ดําเนินตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเขาเรียกว่าพุทธประเพณีพุทธประเพณีคือข้อปฏิบัติเจริญตามร่องเจริญตามรอยของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าพุทธวงพุทธวงวงของพระพุทธเจ้า ถ้าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะก็เรียกวงของพระอริยะเรียกว่าอาริยะวงเขาไม่มีการทิ้งประเพณีไม่มีการทิ้งวงกันรอกอ น, นะไม่ใช่ปล่อยซะจนปล่อยหมดเลยขอให้มันปล่อยจริงๆถ้าปล่อยสังฆตะหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นดี <c oughs> ต่อไปนะ พระชินเจ้าทั้งหลายชนะชินะคือผู้ชนะชินะก็คือผู้ชนะชนะอะไรชนะขันธมารชนะกิเลสมานชนะมัจจุมารชนะเทวปุตตมานชนะอภิสังขารามานเรียกว่าพระชินเจ้าชินะแปลว่าผู้ชนะพระชินเจ้าทั้งหลายทรงละมนทินคือกิเลสมีกามเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยสมาธิและปัญญาแล้วจึงดําเนินไปโดยประการใด พระสักยะมุนีในปางกรทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเสด็จไปโดยประการนั้นเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตอันนี้คือข้อปฏิบัติของพระชินเจ้าพระพุทธชินราชอ่ะนะก็ชนะเหมือนกันสรับนี้หมายถึงว่าราชก็คือชนะเอาราชาก็พระราชานะชนะก็คือผู้ชนะขันธมารชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารามารชนะเทวปุตตมารและชนะอะไรอันนึงอภิสังขารามารว่าไปยัง พูดสลับไปสลับมายานีเดี๋ยวก็ครบ5เองนะครับหนึ่งขันธมานสองกิเลสมานสา ม, มัจจุมานเทวปุตตมานภิสังขารามานก็มีหมานด้วยกันพระชินเจ้าของทุกพระองค์ว่า ง, งั้นเถอะละมนทินมณินเนี่ยมณินเนี่ยวิมณ์เนี่ยหมายถึงดอกบัวใช่ไหม ไม่มีมนทินเนี่ยหมายถึงดอกบัวเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนมนทินคือราคะนี่ทําให้เปื้อนใจโทสะก็ทําให้เปือเป้อนใจโมหะก็ทําให้แปดเปื้อนเนี่ยมนทินที่ทำให้เปื้อนอย่างนี้นมันไม่เปื้อนธรรมดานะมันทําให้เศร้าหมองเลยนะกิเลสแล้วว่าเศร้าหมองเปื้อนแล้วก็เศร้าหมองหมดเลยอันนั้นก็คือเป็นชื่อของกามเป็นต้นละได้ข้อปฏิบัติที่ทําให้ละมนทินคือกิเลสก็อาศัยสมาธิและปัญญาสมาธิคือสมถะแล้วก็ปัญญาก็คือวิปัสสนา พระพุทธเจ้าพระสกฤหมุนีคือพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองก็เสด็จโดยการละมนทินด้วยสมาธิและปัญญาเหมือนกั น, น, นแสดงว่าปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือสมถะวิปัสนาประดุษพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหมดเลยเพระเาะคำว่าเคยได้ยินนะคำว่าทางนี้เป็นทางสายเอกสายเอกคือสติปัฏฐานสมถะฐานอิทิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชฌงองมัชธ์ทำไมจึงเรียกว่าทางสายเอก เพราะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดําเนินเป็นทางที่พระปเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดําเนินเป็นทางที่สาวกทั้งหลายทุกท่านดําเนินทางนั้นก็คือโพธิปักจะธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดําเนินไปตามโพธิปักจยธรรมนั่นแหละจึงเรียกว่าพระตถาคตก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งคู่ต่างก็ละกิเลสพระพุทธเจ้าก็ละกิเลสพระสาวกก็ละกิเลสสองคนนี่ต่างกันตรงไหน พระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันตรงไหนต่างกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยละกิเลสได้ด้วยตัวเองแล้วสอนให้ผู้อื่นละกิเลสตามสาวกทั้งหลายละกิเลสได้เพราะทาตามอันนี้คือความต่างกันนะนะอันหนึ่งพระชินเจ้าเสด็จถึงพร้อมซึ่งลักษณะแห่งธาตุและอายตนะเป็นต้นอัน่องแท้โดยจำแนกสภาวะสามัญญวิภาคะ ด้วยพระสยัมภูยานเพราะฉะนั้นพระสักยะยมุนีผู้ประเสริฐชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตาลักษณะลักษณะกัสภาวะนี่คือสิ่งเดียวกันลักษณะของอะไรของธาตุอนะัธ า, าตุธาตุสาธาตุหธาตุสเป็นต้นเนี่ยนะธาตุธาตุสก็คืออะไรการมาธาตุรูปธปาตุอรูปธาตุเป็นต้นอ่ะนะ ธาตุหก็คือปฐวีอาโปเตโชวายโยอากาศและวิญญาณธาตุธาตุสบก็จะขูธาตุรูปประธาตเป็นต้นอายตนะ 12, อายตนะองายตนะภายใน6หรืออายตนะ12บเนี่ยนะเป็นต้นะนะก็คือขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุปาทเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระองค์มาจำแนกวัสภาวะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรแจกสภาวะได้หมดเลย แจกสภาวะอะไรว่านี่เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอภยากตะนี้เป็นรูปนี้เป็นนามนะตามติติกามติกาตามทุกกะมาติกานะแล้วก็จำแนกเป็นจิตวิพัฒน์นะนะที่เรียกว่าจิตวิพั์จำแนกเป็นรูปจำแนกเป็นสภาวะธรรมต่างๆแล้วยังรู้ว่าความเป็นของทั่วไปสามัญยะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเอามาจำแนกเป็นพระธรรมเช่นในอภิธรรมปีดก การจำแนกสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยปัญญาตัวเองแท้ๆเลยเนะทำด้วยปัญญาของพระองค์เองพระองค์ไม่ได้รับผู้อื่นแนะนนะโอ้ไปเจอคนนั้นเลยได้ไอเดียมาใหม่ๆอันนี้ไม่มีเป็นสิ่งที่พระองค์ได้โดยโดยพระสยามภูยานได้ด้วยความรู้ความสามารถของพระองค์เองด้วยบุญที่พระองค์สังสมม า, านะความที่พระองค์เนี่ยแทงตลอดสภาวะธรรมทุกชนิดแล้วเอามาจำแนกมาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่าย เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์โมเวนายัตว์ความที่พระองค์แทงตลอดสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีส่วนเหลืออย่างละเอียดที่ทุวนแทงตลอดจนถึงพระนิพพานอย่างนี้แหละชาวโลกจึงขนานพระนามพระองค์ว่าตถาคตคือผู้เห็นลักษณะที่แท้จริงเป็นผู้ที่เข้าถึงสภาวะที่ท่องแท้จริงๆเลยนะสภาวะที่ท่องแท้โดยที่สุดสภาวะอ น, นั้นคือพระนิพพานานะเน้นไปที่พระนิพพานานะถ้าเกียรติร้อนอ่อนแข็งธรรมดาเนี่ย ใครไม่รู้มั่งใครไม่รู้ว่านี้อากาศร้อนมั่งอ๋อแสดงว่าอยู่ในห้องที่มันเย็นใช่ไหอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เกินไปแล้วไม่รู้แม่กระทั่งร้อนเย็นนี่ต่อไปว่าสัจจะอันทองแท้สัจจะคืออริยสัจนะอริยสัจที่ทองแท้อิทั ป, ปัจยาตาคือปัจจัยอันทองแท้อิทั ป, ปัจยาตานี่เป็นชื่อของปัจจัยที่คนอื่นแนะนำไม่ได้ อริยสัตว์ปฏิจจสมบตัตินี่ใครมาแนะนำได้บ้างอ่ะไม่ได้คนอื่นอ้าวแล้วผู้อื่นที่เขาสอนภาษาใครไม่รู้บ้างใครไม่รู้ว่านี่อากาศร้อนบ้างอ๋อแสดงว่าอยู่ในห้องที่มันเย็นใช่ไหยอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เกินไปแล้วไม่รู้ไม่กระทั่งร้อนเย็นนี่ต่อไปว่าสัจจะอันทองแท้สัจจะคืออริยสัต์อ่ะนะอริยสัตว์ที่ทองแท อิทัป จ, จยตาคือปัจจัยอันทองแท้อิทธป จ, จยตานี้เป็นชื่อของปัจจัยอริบุตรก็สอนพระอนนุนก็สอนสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าพัะอริยศาสตร์ปฏิจจสมบาทเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะเอามาบอกมากล่าวได้หรอกอันพระตถาคตผู้มีพระสมณตจาจักสุกประกาศแล้วโดยนัยะด้วยประการทั้งปวงการแสดงการจำแนกอย่างละเอียด อย่างกว้างขวางคู่ควรแกการตรัสรู้เนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยมีความสามารถในการเอาอริยสัจเอาปฏิจจสมุปบาทมาบัญญัติมาแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติตามได้นั่นแหละพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้เสด็จไปโดยทองแท้ชาวโลกจึงขนานนามพระองค์ว่าพระตถาคตพระตถาคตเพราะมีความสามารถในการจำแนกสัจจะจำแนกอิทัิปัจจยตา จำแนกปฏิจจสมุปาฏิาได้อย่างละเอียดถูกต้องต่อไปการที่พระชินเจ้าทรงเห็นโดยท่องแท้ทีเดียวในโลกธาตุแม้มีประเภทไม่ใช่น้อยเห็นหมดอ่ะนะในอารมณ์มีรูปายตนะเป็นต้นอารมณ์ทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยพระองค์รู้หมดอ่ะนะ อารมณ์เหล่านั้นมีความต่างอันวิจิตวิจิตปานใดกว้างขวางขนาดไหนอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยนะเพราะพระพระุท พ, พระองค์ผู้มีพระสมณตะจกักษุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตเอ๊ะแล้วที่เรามานั่งอ่านหนังสือเนี่ยตอนพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์เห็นหรือเปล่าเนี่ยภาพที่เรากำลังเรียนกำลังฟังกำลังอะไรอยู่เนี่ยนะเห็นนะนะพระองค์กรุณาหรือมุทิตาฮะกรุณาเนาะ ถ้าการณานี่ถูกแล้วทำมุทิตานี่ว่าจะเข้าข้างตัวเองเกินไปหรือเปล่านะ <S <S ม, มนก็สรุปว่าทุกอย่างที่เรารู้เรานึกคิดที่เรารับทราบอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ที่พระพุทธเจ้านึกคิดอันนี้เราไม่รู้โดยมา ก, ก น, นะแต่ก็ตอนนี้พยายามที่จะรู้ตามพยายามที่จะรู้ตามพยายามที่จะเห็นตาม ขอเรียงตามขอศึกษาตามขอปฏิบัติตามนี่แหละที่เราเรียกว่าไอการขอทำตามแบบนี้เรียกอะไรเรียกว่าถึงสารณะเนี่ยนะถึงสารณะคมขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ไปในเบื้องหน้าเป็นต้นเนี่ยนะ <c oughs> เพราะว่าการเรียนพระธรรมเนี่ยมันแปลงเรียนสมัยใหม่เนี่ยมันอะไรที่วิจิตพิสดารมา <c oughs> เรียนไปเรียนมาลืมนับถือพระพุทธเจ้า <c oughs> เออเป็นไปได้ยังไงก็ไม่ทราบ หนักๆไหว้พระสวดมนต์ก็ยังตำหนิกันเลยเอาสิจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าได้ยังไงนะเขาชมพระพุทธเจ้าก็พาตำหนิเขาว่าพวกนี้มีแต่พิธีกรรมกันโอ้ยวาจาน้อวาจ า, า, จามีหน้าปรามจึงกินเบ็ดไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกต่อไปอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างทองแท้ทีเดียวหรือทรงกระทาพระองค์ให้สมควรแก่ธรรม ทรงครอบงาสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายแม้เพราะเหตุนั้นพระองค์พระองค์ผู้เป็นผู้นําโลกชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตพระองค์แสดงธรรมอย่างถ่องแท้ธรรมที่พระองค์แสดงก็คืออะไรบ้างก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นการขณะเดียวกันสิ่งที่พระองค์แสดงเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์ก็ทาได้จริงเนี่ยนะ ทรงกระทําพระองค์ให้สมควรแก่ทำนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันพระองค์ก็ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์แสดงด้วยพระพุทธเจ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่มาแสดงได้แต่แสดงเฉยๆแต่พระองค์เนี่ยปฏิบัติตามที่แสดงเข้าถึงสิ่งที่แสดงเพราะทำทั้งหลายถือว่าเป็นสมบัติของพระองค์นีนะพระองค์บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นจริงๆ น, นะซึ่งต่างจากเราก็มากำลัง กรอกใบสมัครครับอะไรนะขอรับมรด ok, กกําลังกรอกใบสมัครนะที่อ่านอ่ น, นี่คือการอ่านรายละเอียดขอขอทำขอเป็นธรรมทายาตเนี่ยนะกำลังอ่านแบบฟอร์มอยู่นะว่าขอจะขอเป็นธรรมทายาตพระองค์ได้ยังไงเนี่ยนะทีนี้ขณะเดียวกันนะพระองค์ก็ครอบงำสัตว์โลกด้วยสัตว์ทั้งหลายครอบงำยังไงคําว่าครอบงำคือพระองค์เนี่ยหมายคําว่า อย่างแสงสว่างในโลกเนี่ยถามว่าเอาแสงอะไรไปไปครอบงํำแสงอาทิตย์ได้ไหมไม่ไ ด, ไได้ถือว่าแสงอาทิตย์นี่สว่างสมมติว่าแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันที่ไร้เมฆหมอกเนี่ยนะบอกแม้จะเปิดสปอตไลท์ข่มดวงอาทิตย์ซะหน่อยไม่สําเร็จชั้นใดพระพุทธเจ้าก็มีพระคุณชั้นนั้นะนะถ้าใครบอกว่าจะเอาศีลเนี่ยฉันมีศีลเหนือกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีสมาธิเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้ มีปัญญาเหนือกว่าพระพุทธเจ้าก็าไม่ได้แต่ขนาดนั้นก็มีคนบอดบางคนเนี่ยนะโยข้ามาเล่าให้ฟังก็บอกว่ามีบางคนเนี่ยไม่รู้ทำบุญอะไรอะไรมาขี้โม้จริงๆเขาโม้ถึงขนาดว่าเขามีบา ร, รมีมากกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ<ๆ><ๆ>เขาก็มีคนพูดอย่างเงี้ยนะแต่ก็ว่าอย่างว่านะพูดให้คนโง่ด้วยกันฟังอะพอจะรู้เรื่องได้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีผู้ใดเอาศีลไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าได้หรอกไม่มีผู้ใดเอาสมาธิไปเปรียบกับพระองค์ได้หรอกปัญญาเป็นต้นไปเปรียบได้หรอกเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีศีลเหนือผู้อื่นทั้งหมดมีสมถะมีวิปัสนามีปัญญามีบุญบารมีเหนือกว่าผู้อื่นทั้งหมดในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกับบุคคลไม่มีเอ่อเสมอด้วยพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่มีคําว่า เกินกว่ากันด้วยพระขนไม่มีเกินกันหรอกมีแต่เสมอกันอย่างเดียวมันใครที่บอกว่าเกินพระพุทธเจ้าคนนั้นก็ก็เกินไปอีกเหมือนกันเพราะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอย่างมากก็เสมอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไอคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่ก็หนักสาหัสเหมือนกันนะว่าให้รู้ว่าโลกนี้อย่างนี้ก็มีอยู่นะเล่าให้ฟังไม่ใช่ให้ไปป่วยหรอกใครรู้ว่าเออคนที่เข้าใจผิดก็มีนะ พระพุทธเจ้านั้นครอบงำสัตว์โลกด้วยพระคุณทั้งหลายเนี่ยนะด้วยพระคุณทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ดาวดึงนะจะแสดงที่บรรดุกำพลศิลาอาสใช่ไหมเท้าสักกะนี่ลําบากใจมากเลยลําบากใจพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวนิดเดียวไอ้บรรดุกำพลศิลาอาสนี่ใหญ่เป็นร้อยกิโลทำยังไงแล้วพระองค์จะไปนั่งยังไงเนี่ย พระพุทธเจ้าก็รู้ความคิดของท้าวสก่กะพระ อ, องค์ก็โยนสังคติไปสังคติคลุมไอบ้บรรดุกรรมพลศิลาอาดไอ้ท่นนี้ได้เรียบร้อยแล้วท้าวสกา ก, ก็คิดต่อไปถึงจะสังคติปูใหญ่ขนาดไหนก็ใสไปนั่งมุมเล็กๆมุมเดียวนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้านั่งปั๊บเนี่ยนะพอดีเป๊ะเลยนะครอบงามรัศมีของเทวดาทั้งหมดในดาวดึงแม้กระทั่งพรหมเป็นต้นที่ลงมาพระองค์ก็ครอบงามเทวดา ด้วยพุทธานุภาพหมดเกลี้ยงด้วยอำ น, นาจรัศมีเทวดาทั้งหลายเขามีรัศมีประจําตัวก็ไม่มีผู้ใดมีรัศมีไปข่มรัศมีพระพุทธเจ้าได้หมดไม่มีแม้รัศมีแห่งพรหมทั้งหลายก็ข่มพระพุทธเจ้าไม่ได้นี้รู ป, ปากายเนี่ยแม้แต่มนุษย์เทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ครอบงําไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงปัญญาเพราะเทวดาและพรหมทั้งหลายที่ดีๆเนี่ยคือสาวกพระพุทธเจ้า เทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายที่เป็นอริยะท่านเหล่านั้นคือสาวกของพระพุทธเจ้าแม้แต่พรหมชั้นสุดทาวาตก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ครอบงำสัตว์ในในที่ทั้งหมดด้วยพระคุณทั้งหลายแต่ทีนี้ว่าสมมติพระองค์ยิ่งใหญ่จริงๆเลยเนี่ยถ้าเราจะทําลายพระองค์นี้ทํำลายได้ไหมไม่ได้แต่ทําลายตัวเองได้ทําลายตัวเองทำยังไง ก็เลิก <habitual> น <heit emen> ับถือพระพุทธเจ้านั่นแหละทำลายตัวเองแต่เราไม่สามารถทําลายพระองค์ได้สมัยใหม่เนี่ยคนก็ห่วงกลัวพระพุทธเจ้าจะเสื่อมกลัวพระธรรมจะเสื่อมกลัวพระสงฆ์จะเสื่อมยมว่าใครเสื่อมกันแน่เนี่ยนะก็คนที่ไม่นับถือนั่นแหละเสื่อมเนี่ยนะเอ๊ะทำยังไงเราจะได้นับถือพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เสื่อมทํำยังไงเรานับถือพระธรรมเราจะได้ไม่เสื่อมเราทํายังไงจะได้ปฏิบัติตีตามความปฏิบัติตีของพระสงฆ์เราจะได้ไม่เสื่อมเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เสื่อมแล้วอนะ ไม่ท่านจะไม่เสื่อมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสื่อมลดมาเป็นพระปัจเจกก็ไม่พระปัจเจกท่านเสื่อมท่านจะลดมาเป็นสาวกก็ไม่พระอัครสาวกจะเสื่อมลดตําแหน่งลงมาก็ไม่ใช่พระอรหันต์จะเสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีก็ไม่ใช่พระโสดาบันจะเสื่อมลดมาเป็นพระโสดาเป็นปุตุชนก็ไม่ใช่ไม่มีคําว่าลดเพราะท่านเหล่านั้นมีแต่เพิ่มขึ้นในที่สุดก็ถึงความพ้นทุกข์ถ้าหากว่าในยุคนี้เราห่วงว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมเราทํำยังไง พระพุทธเจ้าไม่เสื่อมพระธรรมก็ไม่เสื่อมพระสงฆ์ก็ไม่เสื่อมแต่ที่เสื่อมก็คือเราทั้งหลายทำยังไงให้เราทั้งหลายเนี่ยไม่เสื่อมจากการนับถือพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมจากการนับถือพระธรรมไม่เสื่อมจากการนับถือพระสงฆ์ตรงนั้นคือสาระที่สำคัญทีนี้ไอ้การที่เราจะไม่เสื่อมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักคนพระพุทธเจ้า คิดว่าเราจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมนับถือไปนับถือเลยพระพุทธเจ้าดีจริงๆนับถือไปเลยนับถือเลยนับถือเลยประกาศสัก3ามวันนี้เพลียใจเต็มทีน่ะนะก็เลิอกอีกนั่นแหละมันก็ศึกษาพระพุทธคุณให้เข้าใจนั่นแหละเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่เสื่อมจากใจเราศึกษาคำสอนให้เข้าใจให้ดีให้จิตเป็นไปกับคาสอนถ้รรมไม่เสื่อมจากใจเราเนี่ยนะเพราะว่านะ ในโลกนี้เนี่ยนะทุกอย่างถือว่าเป็นของเฉพาะตนจริงๆเฉพาะตนเนี่ยนะมันเราห่วงคนอื่นห่วงได้ไอห่วงด้วยกรุณาเนี่ยกรุณาผู้อื่นนี่กรุณาได้แต่ไม่ได้เสกให้ผู้อื่นได้เสกผู้อื่นได้ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเสมอว่าตถาคตเป็นแต่คนบอกทางเป็นแต่คนบอกทางเราก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ให้ดีเราจะได้ไม่ไม่ป่วยจนเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ ล้าหลังจนเกินไปถ้าเราปฏิบัติดีเราเจริญงอกงามในธรรมนี่นะผู้อื่นเขาก็เอาเยี่ยงเอาอย่างเอาแบบเอาอย่างแต่ถ้าเราเสื่อมลงเสื่อมลงชวนคนอื่นมาสมมติถ้าเรามาเรียนธรรมะแล้วเราก็ปากร้ายขึ้นขี้โกรธมากขึ้นขี้โมโหมากขึ้ น, น, น, นดูถูกคนอื่นมากขึ้นนิ่สรุปว่าเลวกว่าเก่าเยอะมากคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปเที่ยวด่าคนอื่นที่ไม่เรียนธรรมะว่าเลวมากเนี่ยนะแล้วแล้วก็ไปคู่ให้คนอื่นเข้ามาเรียนธรรมะยอมคิดว่าประสบความสําเร็จไหม อันน้าไม่ซัดส้น่วมกว่าบีบุญหนักหแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องทําตัวให้ดีๆเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเผยแพร่ศาสนายังไงมีแต่เสื่อมบอกเขาไม่ได้ดูที่คําสอนเราก็ดูที่คนเผยแพร่เขา่ากงั้นแต่นะคนเผยแพร่มีความสุขแค่ไหนก็ถ้าบอกว่าเขาบอกดีเหลือเกินดีเหลือเกินแต่คนเผยแพร่ก็ทุกจริงๆเลยนะเออมันก็คิดมากๆแล้วเหมือนกันนะสูตรที่เขาว่าอะไรนะศีรษะไม่ค่อยมีผมแต่ขายยาผมดกอย่างเงี้ยนะ คนป่วยขายยาเนี่ยนะบอกยาดีเหลือเกินแต่แม้ป่วยเรื้อรังมานานอย่างเงี้ยนะยานี้รแกเอทได้แต่คนขายเป็นเอทอย่างเงี้ยนะจะว่าไงเขาเชื่อไหมนั่นแหลนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะบอกว่าเราเนี่ยโอ้นับถือศ า, าสนามั่นคงในพระพุทธศาสนาความโลภ ก, ก็เท่าเดิมความโกรธก็เหมือนเก่าหรือแรงกว่าเก่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็เสียหายแล้วนะไปเรื่องอื่นมากมาดูว่า อันหนพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอันทองแท้โดยประการทั้งปวงคำนี้ใช้กับอะไรตรัสรู้ด้วยปริญญาเนี่ยใช้กับอะไรเอ่ยปริญญานี้เป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาไปรู้อะไรล่ะปัญญาที่ไปทํากิจปริญญานี้ทํากับอะไรทํากับทุกขสัจพระองค์ข้ามแดนโลกอันนี้ข้ามอะไรทำไมต้องข้ามข้ามอะไรข้ามสมุทยัยสัจจะถึงความดับ ด้วยการกระทําให้ประจับอันนี้หมายถึงนิโรศสัจระและทรงถึงอริยมรรคฉะนั้นพระองค์จึงนามว่าต ถ, ถาคตอันนี้ก็เป็นคำประกาศสัจจะใช่ไหมว่าพระองค์ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้โลกโลกสมุทยัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามิม่ีปฏิปทาโลกพระองค์ตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทยัยพระองค์ตรัสรู้ด้วยการข้าม น, นะนะคือถ้าแบ่งเป็นสองคำในระหว่างคําว่าโลกกัลโล ก, กุตระในสองคํา ทนี้ถ้าโลกกโล ก, กุตระมันมีน้ําขั้นอยู่นี่เราจะทํำยังไงก็ต้องขึ้นเรือที่จะข้ามจากโลกโลกียะไปถึงไปสโล ก, กุตระไอถามไอน้ําที่มันระหว่างขั้นระหว่างนี่เหมือนอะไรเหมือนสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านเลยบอกว่าข้ามคือข้ามข้ามแดนโลกก็คือข้ามสมุทัยสัตว์จะข้ามจนถึงโล ก, กุตระคือพระนิพพานจึงดับทุกข์ได้ด้วยอริยมรรคอริยมรรค คำว่าสะพานเป็นชื่อของอริยมรรคคำว่าเรือเป็นชื่อของอริยมรรคำคำว่ายานนะยานเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรคเพราะเป็นยานที่นําออกจากกองทุกข์ตรง น, นี้ก็คงเห็นว่าข้อปฏิบัติที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะคืออะไรเพรา ะ, ะเราก็พยายามเลื่อมสายเอาไว้นะปลูกฝังความเลื่อมสายว่าสักวันหนึ่งเราต้องทําปริญญาในโลกข้ามแดนโลกถึงความดับโลกด้วยข้อปฏิบัติคือ อาริยมรทวนนะโลกหนึ่งคืออะไรอ่นะโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารโลกสองโลกสองนามกับรูปโลกสาเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหออยตนาภายในหแสดงว่ามีคนละหโลกแล้วนะโลกเจ็ด วิญญาณที่ติดเอันที่จริงนะของเราทั้งหลายเนี่ยโลก1นึถึงหเนี่ยไม่ใช่นะถ้าสังขารทั้งหมดนี่ดำรงอยู่ด้วยอาหารใช่ไหมแล้วโลกโลกสองก็มีแต่นามกับรูปที่นั่งอยู่ถ้าโลก3ามคำว่าโลก3เพราะพ่วงนี่เป็นที่เกิดแห่งเวทนาสเป็นที่อาศัยเกิดเวทนา3มโลก4ทุกคนดํารงอยู่ด้วยอาหาร4โลกหกระจายไปแล้วก็คือขันห้าโลก6ก็คือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจแต่โลก7จเนี่ยจะได้คนละข้อ เพราะวิญญาณท่ติเจ็ดนะเพราะในหนึ่งคนขณะเดียวไม่สามารถเป็นเจ็ดได้เป็นได้ข้อเดียวคือคืออะไรเพราะว่าพวกปฏิสนที่จิตต่างกันและรู ป, ปรกายก็ต่างกันเนี่ยนะได้ข้อนี้ข้อเดียวนะแต่ว่าวนไปวนมามันก็ได้ทั้งเจ็ดนั่นแหละเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ดียวก็สลับกันเดี๋ยวก็ครบเจ็เองจนได้เนาะนโลกแปด โลกธรรม8เพราะไม่มีใครว่างจากการรับกระทบโลกธรรม8โลกโลกเก้าตวาส9ของเราก็อยู่สตาวาสหนึ่งข้อในจํานวน9คือปฏิสนธิจิตต่างกันและก็รู ป, ปรกายที่แตกต่างกันโลก10คืออายตนะ10เนี่ยนะเพราะเราเวน้นจากอายตนะที่เป็นโล ก, กุตระนะเราหมายถึงอาตมานะคนอื่นไม่สร้างต่อไปโลก12องอายตนะ12โลก18 ห้าส8พราะพระองค์นี้ตรัสรู้ด้วยปริญญาอย่างทองแท้ข้ามฉั้นธาคะที่ที่ติดพันในโลกเหล่านี้ได้โดยประการทั้งปวงถึงความดับคือพระนิพพานแล้วด้วยข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอริยมรรคขึ้นต้นนี้ทำด้วยอะไรก็คือต้องมารู้ว่าโลกโล ก, กับสมุทัยโลกกับนิโรธโล ก, กะนิโรธคามินีปฏิปทาความรู้นี่คือสัมมาทิฐิที่เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้น ถ้าสมมติว่าปฏิบัติเบื้องต้นไม่เข้าใจสัจจะเลยเนี่ยนะในเบื้องปลายคิดว่าจะเห็นสัจจะไหมยอมว่าเป็นไปได้ไหมเบื้องต้นนะมาฉันจะปฏิบัติแล้วอะไรอริยสัจฉันไม่ต้องฟังไม่สนใจอริยสัจสักอย่างเลยฉันจะขอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วยมว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเห็นอริยสัจสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาอยากจะไปเชียงใหม่อะไรเนี่ยเน่ยฉันจะเดินทางแล้วออกจากบ้านทันทีเลยก้าวฉับฉัฉับไปเรื่อยเลย เขาาจะไปเชียงใหม่ก็ถามว่าเชียงใหม่มันคืออะไรฉันไม่ต้องการรู้เชียงใหม่อยู่ที่ไหนไม่ต้องมาพูดฉันจะไปแต่เชียงใหม่อย่างเดียวนะยัว่าเป็นไปได้ไหมที่จะถึงเชียงใหม่ก็เป็นไปไม่ได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติก็เหมือนกันเขาบอกว่าอริยสัจเป็นเรื่องสูงห้ามเอามาพูดเอามาฟังเอามาคุยกันแต่ปฏิบัติจบเพื่ออะไรเพื่อบรรลุอริยสัจแต่ตอนต้นห้ามพูดคุยกันนะเรื่องอริยสัจปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวบรรลุเอง เนอะนะเชียงใหม่อยู่เมืองใหญ่โตเปอร์เซนต์ไปไม่ถึงยังมีใช่ไหมจะกล่าวไปยญยถึงการปฏิบัติอริยสัจเล่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นจะต้องฟังอริยสัจทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของอริยสัจให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งรีบนักเลยรีบมากเดี๋ยวลืมของลืมพกศีลสมาธิปัญญาไปด้วยเลยนะมแต่รีบไปแต่รูปประกาย ไปแต่ร่างกายและจิตใจที่ปราศจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะยงว่าถึงไหนโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนเนี่ยมรณะครอบพญาที่ครอบงำมรณะห้ามหันเนี่ยนะไปถึงนั่นนะถึงแน่ต่อไปอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระองค์ประกอบด้วยประโยชน์แก่สัตว์โลกทรงปฏิยาอย่างทองแท้โดยประการทั้งปวงทรงเป็นนาถะของโลกด้วยพระกรุณาโดยประการทั้งปวง เสด็จไปแม้เพราะเหตุนั้นพระชินเจ้าชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคต <c oughs> อันนี้ถ้าถ้าดูตามนี้นะยกตารุณาขึ้นเป็นหลักว่าแรงแห่งกรุณาที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าคิดดูนะคิดว่าถ้าแรงแห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นในใจคนเนี่ยผลานบ้านพลานเมืองคนอื่นไม่ใช่น้อยใช่ไหมนั่นคือแรงแห่งพยาบาทมันยังยิ่งใหญ่ขนาดนั้น แล้วแรงแห่งกรุณาล่ะที่สั่งสมมาสั่งสมสั่งสมสั่งสมคิดว่าแรงแห่งกรุณาที่ตั้งไว้ขนาดนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจึงเรียกว่ามหากรุณาอันะเพขนาดความโกรธเนี่ยนะสะสมไว้สะสมไว้สะสมไว้สส ไ, วสส ไ, วไฟนี่ถ้าสะสมสะสมมันยังเผาบ้านเผาเมืองเลยใช่ไหมอันนั้นคือขนาดความเลวร้ายแล้วความดีถ้าสั่งสมให้มากให้ถึงที่สุดล่ะพระองค์เนี่ยนะ แรงกรุณาพระองค์ก็เลยประกอบตนไว้ในประโยชน์เพื่อสัตว์โลกทำทุกอย่างทั้งหมดเพื่อสัตว์โลกการให้ทานจริงๆก็ให้เพื่อสัตว์โลกนะรักษาศีลก็เพื่อสัตว์โลกบำเพ็ญเนคขมะก็เพื่อสัตว์โลกเนี่ยนะเาเรียกว่าโลกกนาตไงที่พึ่งของโลกเพราะพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อสัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์โลก เพราะถ้าจะเอาประโยชน์และความสุขของตัวพระองค์เองก็เรียบร้อยแล้วเมื่อสีอสงไขยที่แล้วแต่ทําทุกอย่างเพื่อโลกโลกไหนเนาะเพื่อโลกไหนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็บรรลุไปเยอะแล้วละ่ะแต่ว่าเหลือแต่โรกโลกเราๆนี่แหละเหลือแต่สัตว์โลกตาเราห้อยอยู่นี่แหละมันอะไรนะมันหลายวันวนะใช่ไหมนะสรุปว่าการุณาของพระองค์เนี่ยนะที่มีต่อสัตว์โลกแล้ว กรุณาปราถนาะความสุขแก่สัตว์โลกแล้วพระองค์ทําไงชั้นต้นเลยก็ปฏิญาณก่อนปฏิญญาหรือปฏิญาณนีนอันเดียวกันปฏิญาณถ้าลูกเสือเขาปฏิญาณว่ายัางไงบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าปฏิญาณว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเป็นต้นพอปฏิญาณเสร็จก็ปฏิบัติบารมีสิบอุปปารมีสิบทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามพระองค์ว่าตถาคต เพราะเป็นผู้ที่มีการุณาต่อสัตว์โลกปฏิบัติทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกในที่สุดพระองค์ก็เป็นที่พึ่งของโลกเป็นที่พึ่งจริงๆนะคิดดูนะถ้าเราเสียใจนะไม่สบายใจเนี่ยคิดถึงพระพุทธเจ้าเถอะไม่เกินสามชั่วโมงจะสบายใจนอย่าไปคิดเรื่องอื่นแทรกเลยนะคิดแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะสมมติถาเราไม่สบายใจคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะแล้วไม่นานจากสบายใจเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะ เป็นที่พึ่งแก่แก่แก่สัพพสัตว์จริงๆแม้เป็นกระทั่งทางร่างกายและทางจิตใจแล้วก็ชีวิตของผู้ใดที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นที่พึ่งให้จริงๆเนี่ยนะอย่าว่าแต่สมัยพุทธกาลเลยแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ายังพักพิงพึ่งปฏิบัติตามพระองค์พระองค์ก็เป็นที่พึ่งให้แก่เราเสมอช่วยเหลือเราเสมอเพราะบุญที่เกิดจากการนับถือพระองค์เนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองนะหลายท่านเนี่ยถ้าไม่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยคิดหรือว่าจะมีชีวิตถึถงวันนี้ก็มาไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธเจ้านี่มีชีวิตถึงปัจจุบันนี้ชักไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะจ ะ, จะรอดมาถึงวันนี้ต่อไปพระองค์นี้อุบัติแต่อภิชาติอย่างทองแท้เพราะทรงอย่างรู้อารมณ์ตามเป็นจริง ฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตพระองค์ทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงปรับปรุงประโยชน์นั้นให้สําเร็จเนี่ยนะประโยชน์ปรับปรุงประโยชน์ก็คือปรับปรุงข้อปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามประโยชน์เนี่ยนะปรับปรุงข้อปฏิบัติปฏิบัติทางกายวาจาใจเป็นต้นปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนะที่พระองค์สามารถปรับปรุง แต่งประโยชน์ให้สำเร็จได้เพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ยังรู้อารมณ์ทุกประการอันนี้หมายถึงพระองค์นี้มีปัญญารอบรู้ในสรรพสิ่งโดยประการทั้งปวงพระองค์จึงปรับปรุงในข้อปฏิบัติจนสัตว์นั้นพ้นทุกข์ได้จริงพระมหสิสเจ้าคือพระผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ในปางก่อนเหล่านั้นมีประการอย่างไรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ก็มีประการอย่างนั้น พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทุกประการพระองค์นี้ปฏิบัติตามพอพระไทยเพราะพระองค์เป็นอัคระบุคคลอัคระแปลว่าเลิศพระองค์นี้เป็นบุคคลที่เลิศนะปฏิบัติทุกอย่างตามความพอพระไทยของเราเนี่ยปฏิบัติตามใจเลยใช่ไหมใจของเรามันใจไหนอ่าทำตามใจคือมานะบ้างทำตามใจคือทิฐิบ้างทาตามใจคือโทสะบ้างทาตามใจคือโมหะบ้างเป็นต้นเนี่ยนะ บางครั้งก็ตามใจคือเมตตาตามใจคือกรุณาตามใจคือใจที่เป็นไปกระทานเป็นต้นอนี้คือตามใจของเราทั้งหลายถ้าใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงใจที่เป็นไปกับสัพพัญยุตยญาณใจที่เป็นไปกับอนารวาณายานใจที่เป็นไปตามยมกะปาติหาริยญาณไปตามมหากรุณาสมาบัติยานไปตามเวสารชยานเป็นต้นใจของพระองค์เนี่ยเป็นไปตามพระญาณอย่างหาที่สุดไม่ได้ใจของพระองค์เนี่ยเป็นไปกับธรรมเพราะพระองค์เป็นผู้บูชาธรรม พระองค์เนี่ยเป็นไปตามใจของพระองค์ที่เป็นใจที่เป็นธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ตามใจนะบางคนบอกว่าฉันจะปฏิบัติตามตามใจฉันนี่แหละใจไหนล่ะเพราะวันหนึ่งใจมีตั้งหลายอย่างใจที่ประกอบกับราคะโทสะโมหะเป็นต้นจะเอาตามใจไหนล่ะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใจพระองค์เป็นกรุณะเป็นมหากิริยาใจเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาใจที่ได้รับการอบรมฝึกฝนพัฒนาอย่าง เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในโพธิปัจฉยธรรมเป็นใจที่การผ่านการอบรมมาอย่างแท้จริงท่านการที่พระองค์ปฏิบัติตามใจของพระองค์นั้นไม่เสียหายเพราะใจนั้นได้รับการฝึกแล้วจนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีเปี่ยมไปด้วยกุศลถ้าเราจะเอาตามใจเรามั่งได้ไหมไม่ได้เพราะบางคนเนี่ยบอกนี่ไงพระพุทธเจ้ายังทําตามใจเลยเอามั่งเอามั่งนะคนละใจกันเนี่ยนะ ทำตามความน้อยใจอ่ะถือใช่ใช่ใชทำตามความน้อยใจทำตามความขุนใจทำตามความไม่สบายใจเป็นต้นถ้าอย่างนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สรุปว่าพระองค์นี้ทำไปตามใจของพระองค์จริงแต่ใจอันนั้นเป็นใจที่ประกอบด้วยเวสารัชยานสี่อาสาธรนญานหกทศพลยานสิบเป็นต้นท่านการปฏิบัติตามใจของพระองค์นั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามธรรมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ เคารพธรมบูชาธรมนับถือธรมการทำทุกอย่างของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปตามพระธรรมทุกประการสรุปแล้วธรรมคืออะไรกันนี่พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะทำทุกอย่างเพราะนับถือกุศลกรรมรบดพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพราะนับถือโลกุตระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปตามโลกุตรธรรมหัวใจของพระพุทธเจ้าเน้น้อมไปในโลกุตรธรรมอย่างเดียว ะพระองค์ปฏิบัติตามใจของพระองค์ที่เป็นไปตามโลกุตระธรรมในชาติก่อนๆก่อนๆเนี่ยนะพระองค์ไม่ไปจากธรรมะอันเป็นข้าศึกต่อโพธิสมภารการไปสู่สงสารก็ไม่มีแก่พระองค์ และสงสารนี้ไม่มีแก่พระตถ า, าคตผู้มีและสงสารนี้ไม่มีแก่พระตถ า, าคตผู้เป็นนาะผู้ทรงเห็นที่สุดพบเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ปราศจากยานอันทองแท้ชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถ า, าคตตรงนี้เน้นปัญญาว่าพระองค์ไม่ปราศจากปัญญานะเริ่มต้นว่าในชาติก่อนๆพระองค์ไม่ไปจากธรรมะอันเป็นข้าศึกต่อ โพธิสมภันต์แปลว่าอะไรหมายแปลเองก็ได้แปลว่าทุกชาติที่พระองค์ดําเนินไปในสังสารวัฏเนี่ยการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะเป็นการปฏิบัติสอดคล้องต่อโพธิสมภันต์ทุกประการหมายคำว่าการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยนะทุกภพชาติเป็นไปในบารมี ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในบรรดาบารมีสิบทีนี้บารมีทุกประการที่พระองค์บําเพ็ญนั้นเป็นการบําเพ็ญเพื่อโพธิญาณทีนี้ในภพสุดท้ายเนี่ยนะการไปสู่สงสารก็ไม่มีแก่พระองค์คือพอชาติสุดท้ายพอพระองค์ปฏิสนธิปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากดับขันปรินิพานการไหลไปตามกระแสขันทาตศยตนะไม่มีอีกต่อไป หลังจากที่พระองค์ปรินิพานที่ที่สารวนโนทยาณเนี่ยนะสาระอุทยะและน น, นก็คืออุทยานนะ่ยนะพระองค์เนี่ยปรินิพานที่อุทยานของเจ้ามาละทั้งหลายที่เมืองกุสินาราหลังจากนั้นเนี่ยขันธธาตุอายตนะของพระองค์เลิกไหลไปเลิกเป็นไปยิ่งบัดนี้ด้วยสงสารนี้ไม่มีแก่พระตถาคตเวลานี้นะ สังสาระคือขันธาตุอายตนะไม่มีสําหรับพระตถาคตเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาที่ปฏิบัติเพื่อโพธิญาณเมื่อปฏิบัติถึงโพธิญาณแล้วตรัสรู้พระองค์เนี่ยทำลายขันธาตุอายตนะโดยประการทั้งปวงที่ทําทั้งหมดได้ก็เพราะปัญญาความที่พระองค์มีปัญญา ป, ญญาปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้จึงเรียกพระองค์ว่าพระตถาคตพระตถาคต พระธรรมอันประเสริฐพระธรรมอันประเสริฐคืออะไรพระธรรมอันประเสริฐคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานเนี่ยนะอันพระมเหิสีเจ้าตรัสโดยประการที่ละมนทินที่ควรลพระธรรมอันประเสริฐเนี่ยเป็นการแสดงเพื่อกำจัดความเศร้ามองทั้งปวงที่ควรละพระธรรมนั้นจึงชื่อว่าตถาคตพระธรรมเนี่ยนะ เป็นธรรมะที่ประเสริฐธรรมะที่ประเสริฐเป็นชื่อสรว่าอริยมรรคอริยผลนิพพานพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นการตรัสพระธรรมที่เพื่อกำจัดความเศร้าหมองมนะนมลทินเนี่ยแปล ว, ว่าความเศร้าหมองความปนเปื้อนเนี่ยนะเป็นพร ะ, พระธรรมที่กำจัดความแปดเปื้อนจริงๆริงพันพระธรรมที่พระองค์ตรัสอันนี้แหละคือมรรคนิพพานนี่แหละจึงเรียกว่าตถาคต แม้พระอริยสงฆ์ของพระศาสดาก็ชื่อว่าตถาคตทำไมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าตถาคตเพราะท่านเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยพระธรรมอันประเสริฐนั้นเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติในปริยัติอริยมรรคอริยผลจึงตรัสรู้พระนิพพานความที่พระสงฆ์เหล่านั้นปฏิบัติตามนี้พระสงฆ์จึงชื่อว่าตถาคตเพราะเป็นไปตามพระธรรมที่พระตถาคตแสดงเนี่ย ทั้งหมดเลยเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดนี้เรื่องอะไรตถาคตต้นเหตุของการเอามาอะไระะพระตะถาคตมาพูดนี่มาจากไหนมาจากสามีของนางสุ ป, ปวาสาชมพระพุทธเจ้าว่าโหอนนาอัศจรรย์จริงพระตะถาคตนี้มีอนุภาพมากอันนะั้นนี่มีหิติการณ์นี่แหละพระตะถาคตนี่มีมหิทธิฤทธิ์มีอิทธานุภาพมากเหลือเกิน มันบอว่ามหิธิกาเนี่ยนะก็คือคาขยายคำที่สามีของพนางสุปปวารสาพ่อของพระศีวลีนั่นเองความว่าการประกอบด้วยมหิธิริษะกล่าวคือความเป็นผู้สามารถยังความเป็นอย่างอื่นให้สำเร็จด้วยอนุภาพแห่งธรรมะเพราะความที่เชี่ยวชาญทางจิตประกอบด้วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆเป็นอย่างยิ่งจึงชื่อว่ามหิธิกานนั เพราะพระองค์นี่มีความสามารถอย่างนี้นะพระตถาคตจึงชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากนะอันนี้ก็คือชมพระพุทธเจ้าอยู่ความประกอบด้วยเดชแห่งบุญที่รุ่งเรืองยิ่งนักเป็นเหตุให้สําเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาอยู่ไกลแสนไกลจากข่าศึกอันเกิดมาแต่กาลนานจึงชื่อว่ามหานุภาวตาแปลว่าเป็นผู้มีอนุภาพมากอันนะี้อนุภาพของพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะพร ะ, พระองค์นี่อะไรประกอบด้วยเดชแห่งบุญ คนมีบุญเนี่ยจะมีอนุภาพมากทําอะไรก็สําเร็จใช่อย่างราชาอนุภาพก็เนื่องจากว่าพระราชามีบุญมากพระราชาก็เลยมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอนุภาพมากก็เนื่องจากพระองค์นี่มีบุญมากด้วยเดชแห่งบุญเนี่ยที่สามารถทําให้พระองค์เนี่ยทำอะไรได้สําเร็จตามที่พระองค์ต้องการคนมีบุญเนี่ยนะคิดทําอะไรก็ทําสําเร็จหมดนะคนหมดบุญเนี่ยนะคิดอะไรก็เป็นอันล่มจมหมด ต่างกันตรงนี้อ่ะคนมีบุญกับคนหมดบุญต่างกันทีนี้ความที่พระองค์มีบุญเนี่ยนะปฏิบัติตามอนุภาพแผงบุญพระองค์จึงอยู่ไกลจากค่าศึกข้าศึกทั้งหมดเนี่ยทำอะไรพระองค์ไม่ได้เพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีบุญนะมานทำอะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างไม่ได้กิเลสทั้งหลายทำอะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้มีบุญมากมีบุญจนศัตรูเป็นต้นทาอะไรไม่ได้ เอาแล้วที่พระองค์ป่วยล่ะตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่บุญให้ผละนะเพราะเหตุในอดีตคือบาปให้ผลพระองค์ก็เลยป่วยเนี่ยนะเพราะว่าสังสารวัตอย่างว่านะมันน่าเห็นใจอย่างหนึ่งว่าคนที่ท่องเที่ยวไปในวัดตะเนี่ยนะที่ไม่แปดเปื้อนบาปมันยากเพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยป่าประมิตรทั้งหลายทีนี้ชาติใดที่พระโพธิสัตว์ไปคบกับป่าประมิตรท่านก็ทําบาปแต่ขณะเดียวกันท่านก็กลับใจนะแต่ว่า บาปที่ทําไว้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไร้ผลใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยถ้าผู้ใด ย, ยังท่องเที่ยวในสังสารวัฏอย่าคิดว่ากรรมจะเลิกรากรรมที่ว่านี่แม้บุญก็ตามบาปก็ตามเขาจะไม่เลิกราได้เหตุได้ปัจจัยพร้อมเขาจะให้ผลทันทีเลยเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันให้ผลพร้อมเนี่ยหลายคนมาฟังธรรมเลยป่วยเลยตามมาให้ผลถึงที่ฟังธรรมเลยเนาะน่าเชื่อเลยมากกลยจริงๆเลยนะ มันคนละเรื่องเลยนะฟังทมกับป่วยเนี่ยมันคนละประเด็นกันเลยแต่ว่ามนประจบกันได้เออบุญก็ให้ผลผลบาปก็ไม่เลือกราเลยนะคนละทวารคนละทวารต่อไปอ น, นะในหน้า258กล่าวว่าชื่อว่าพระนางสุปปวาสานี้จมอยู่ในกองทุกประสบความยากความลำบากเช่นนี้ พร้อมด้วยเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนั่นเองจึงมีความสุขไม่มีโรคประโสนิรพระโอรสที่ปราศจากโรค น, นี้นะเพราะเป็นผลของบุญใช่เพราะเป็นผลของบุญของพระพุทธเจ้านี่แหละอนุภาพของบุญของพระพุทธเจ้าบทว่าอัตตมโนแปลว่ามีใจเป็นของตนอธิบายว่ามีจิตปราศจากกิเลสเพราะความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยู่จิตที่ถูกกิเลสกลุ่มรุม ใครใครไม่อาจกล่าวว่ามีใจเป็นของตนเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแลนะผู้ที่โทสะกลุ่มรุมเนี่ยไม่มีใจเป็นของตัวเองมีใจเป็นของโทสะถูกราคากลุ่มรุมก็มีใจเป็นของราคาถูกโมหะกลุ่มรุมถูกมานะเป็นต้นเล่นงานก็มีใจเป็นของอกุศลไปหมดแล้วไม่เรียกว่าเป็นใจของมีใจเป็นของตนแต่เมื่อใดกุศลจิตเกิดขึ้นใจอนั้นแหละเรียกว่าเป็นของตน คือสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเราอยากพูดไหมว่าสิ่งนั้นเป็นของตนอะไรที่สร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองนะอยากพูดไหมว่าเป็นของเราเช่นความผิดที่เราไปทําที่ไหนมาเราอยากพูดถึงไหมไม่ทำไมอ่เพราะมันไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเลยใช่ไหมอะไรก็ได้ที่มันดีๆนะอันนั้นแหละของตนของตนใช่ใช่ชั้นใดก็ดีใจที่ถูกบาปอากุศลเล่นงานกลุ่มรุมสัตว์ทั้งหลายก็พระองค์บอกว่าอันนั้นไม่เรียกว่าใจของตน ทนีพระนางสุปวาสารเนี่ยนะหลังจากที่หายหายอะไรคลอดลูกได้สุขภาพก็ดีหายป่วยหายไขย้ก็เกิดใจเลื่อมใสปรารถนาที่จะทําบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้ า, านะทำบุญกับพระสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะทีนี้ตัววันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับกิจนิมนต์ของอุปถาภโมคลานะไว้แล้วใช่ไหม อัถโครพระวาอายสมันตังมหาโมกขลานังอมันเตสิ น, นะคือพระผู้มีพระภาคเก้าตรัสเรียกพระมหาโมคคลาณนะอายสมันตังผู้มีอายุอายสมันตังเนี่ยเป็นคําที่ใช้กับอาจารย์อย่างเดียวแต่ถ้าโดยศัพท์เนี่ยอายสมันตังแปลว่าผู้มีอายุแต่ผู้มีอายุตรงนี้เนี่ยใช้กับพระระดับอาจารย์เท่านั้นนะใช้ระดับพระอาจารย์คือเป็นอาจารย์ที่ใหญ่มากๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ อย่างพระมหาโมฆลลานะก็อยู่ในระดับนั้นถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกพระมหาโมฆลลานะมาเล่าตอบว่าเพื่อรักษาความเลื่อมใสของพระสวามีของพระนางสุปปวาสาเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่รับกิจนิมนต์ไปฉันเนี่ยนะคนที่จะเสื่อมศรัทธาเนี่ยกลายเป็นสามีของนางสุปปวาสาไม่ใช่นางสุปปวาสาเพราะนางสุปปวารสาเป็นพระโสดาบันไปแล้ว ก็พระนางสุพวาสานะั้นะเป็นผู้มีความเลื่อมสายไม่เอียน ไ, ไม่เอ็เอียงแลงแต่รักษาความเลื่อมสายของอุบาสกและก็การรักษาความเลื่อมสของอุบาสกที่เป็นอุปถากของพระโมคคลานะก็เป็นหน้าที่ของพระโมคคลานะถ้าคืนไปอะไรนะไม่รับไม่รับกิจนิมนต์ของพระนางสุพวาสาสามีของนางสุพว า, าสานี่ศรัทธานี่มีปัญหาละ แต่ถ้าไปไม่บอกอุปถา พ, พระโมคขลานะเดี๋ยวถ้าเขาจะน้อยใจ น, นะเดี๋ยวอุบาสกเขาจะน้อยใจถามว่าพระริยะยังน้อยใจเป็นหรือเป็นทำไมจะไม่เป็นนะน้อยใจเนี่ยน้อยใจคล้ายปรารบว่าเราเนี่ยบุญน้อยคล้ายๆปารบในลักษณะนี้นะแต่จะไอที่จะคิดตําเนธพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างก็อย่างในอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีหลายคนเนี่ยนะ ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเมืองสาวัตถีไปเนี่ยก็เสียใจคล้ให้เสียใจน้อยใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จจากเราไปแล้วเนอะก็เสียใจลักษณะนี้ไม่ได้เสียใจตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบทว่าตินังครมานางปาติโพโคท่านแสดงว่าถ้าท่านพระมหาโมคลานะผู้เป็นเจ้าเป็นผู้รับประกันคือถ้าพระถ้าว่าเป็นผู้รับรองเพื่อไม่ให้ทำสามประการ คือโคะหนึ่งสองชีวิต 3, สมศรัทธาของเราเสื่อมพินาศคือถ้าพระผู้เป็นเจ้ารู้ว่าพ้นจากเจ็ดวันเป็นนี้พ้นว่าข้าพเจ้าเนี่ยโคะไม่เสื่อมชีวิตไม่พินาศศรัทธาไม่เปลี่ยนหลังจากนี้เจ็ดวันไปข้าพระเจ้าอาจจะให้ฐานได้ก็นิมนต์ให้ทางโน้นเขาทําบุญก่อน น, นะเชิญให้ทางโน้นทําบุญก่อนได้เลยฝ่ายพระมหาโมคลานะ เห็นความไม่มีอันตรายแห่งโภคะและชีวิตของอุบาสกนั้นอ่ะภายในเจวันนี้ไม่มีปัญหาพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอุโสเราเป็นผู้ประกรันธรรมทั้งสองคือโภคะและชีวิตของท่านแต่ว่าศรัทธาเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับจิตในของอุบาสกนั้นเพราะเหตุนั้นพระเถระเมื่อจะทำให้เป็นภาระของอุบาสกนั้นจึงกล่าวว่าก็ท่านเท่านั้นเป็นผู้ประกันศรัทธา ศรัทธามันอยู่ที่ใจท่านจะให้ข้าพเจ้าไปรักษาให้ท่านได้ยังไงเหมืนั้นอันหนึ่งอุบาสกนั้นเป็นผู้เห็นสัจจะคือเป็นพระโสดาบันแล้วความที่ศรัทธาของอุบาสกนั้นจะแปลเป็นอย่างอื่นไปย่อมไม่มีเพราะเหตุ น, นั้นพระเถระจึงกล่าวอย่างนั้นเห็นไหมก็จริงนะนะสิ่งที่สิ่งที่ถ้าถ้าจะหน้าหนักใจที่สุดก็คือการตามรักษาศรัทธาของผู้อื่นตามรักษาใจของผู้อื่ น, นง่ายง่ายไหล่ะคิดดูใจของเราเองยัง รักษายากอยา ก, ยากและต้องไปรักษาใจคนอื่นพ่ามาว่านะทุกคนพยายามรักษาใจตัวเองให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้มันดีที่สุดไม่ต้องไปห่วงใจคนอื่นเกินใจเราหรอกนะั่นทำยังไงใจเราจะมีบางคนนี่มันห่วงกับคนอื่นนะี่ห่วงเข้าก็มัวแต่ไปตามเขาตามกันไปตามกันมาเลยเสื่อมทั้งคู่เลยรกันนี่อันนี้อันนี้ทุกคนก็น่าจะรักษาศรัทธาของตัวของตัวนี้ให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะเหตุนั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอจงให้อุบาสกยินยอมว่าเธอจะทําภายหลังฝ่ายอุบาสกปรารถนาความเจริญด้วยความเคารพในพระศาสดาและก็เคารพในพระเทระและด้วยบุญของพระนางสุปปวาสาจึงยินยอม เ, อเหตุผลหลายอย่างนะการอนุญาตหนึ่งเรื่องนี่อย่าไปคิดว่าเหตุผลในน้อยนะหนึ่งตัวเองก็ยังอยากเจริญอยู่ยังไม่อยากอะไรนะยังไม่อยากแสดงตัวเป็นคนงี่เง่าไม่มีเหตุผลสมุทา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะถามว่าจะดีหรือจะเป็นผลดีใช่ไหมสแสดงกิริยาการแบบนั้นนี่ข้อแรกก่อนนะตัวเองก็เสื่อมอยู่แล้วถ้าหากว่าสแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมกับพระโมคลาน ะ, สะแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมกล่าวบอกไม่ไม่ยินยอมแล้วถามว่าถ้าหากว่าไม่ยินยอมนี่ไม่ยินยอมกับใครไม่ยินยอมกับกษัตริย์เพราะเขาเป็นเจ้าเมืองอะนะเจ้าเมืองขอทําบุญก่อนถ้าถามว่าไปบอกว่าเจ้าเมือง ท, ทําทีหลังครับเจ้า ถ้าเกิดเจ้าเมืองไม่พอใจอะไรจะเกิดขึ้นสมัยนั้นยังปกครองแบบไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะถึงประชาธิปไตยก็เถอะสอแล้วก็ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าก็เคารพมากนะเพราะพระพุทธเจ้าขอแล้วก็เคารพในพ ร, พ, รพระมหาโมคคลานะพระมหาโมคคลานะก็ขอนั่นตัวเองก็เคารพอนะคนที่เคารพมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือว่าง่ายเพราะนั้นท่านว่าอ่าพระรัตนะตรายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ว่าไงาก็ว่ากันลนะบางั้น ขณะเดียวกันก็บุญของนางสุปววาสาใช่ไหมเป็นผู้มีบุญมากไม่มีบุญจริงๆก็เกิดเป็นโกรยะธิดาไม่ได้แล้วก็เป็ น, อ, ปนอักระอุปถากด้วยนะเพราะว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาแสนกลับแล้วนันก็เลยยินยอมว่าพระนางสุปววาสาโกรยะธิดาจงทมตลอดเจ็วันเทิดภายหลังเราจะทมบทว่าตันจะธารกัง จำเดิมแต่วันที่พระศิวลีประสูติแล้วล่วงไปถึงวันที่สิบไปดูหน้าอะไรหน้า2 0งศอ่ะนะหน้าหน้า2 0งรที่บอกว่าพระสารีบุตรได้ถามทารกคือพระศิวลีนั้นว่าพ่อหนูเธอสบายดีหรือพอเป็นไปหรือพอเป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือทารกนั้นก็ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญ กระผมจากสบายมาแต่ไหนพอเป็นไปได้แต่ไหนกระผมอยู่ในท้องเปื้อนโดยเลือดตั้งตั้งเจ็ดปีอ่ะนะไปสนุกตรงไหนว่างกันท่านเด็กๆ ก, กันนะครับพูดเซ่อๆอะไสนุกตรงไหนอ่ะ น, นะอยู่ในท้องกินน้ําครัมตั้งเจ็ดปีด้วยคำว่าโลหิตะกุมพิยังวุฒานิเนี่ยนะท่านกล่าวหมายเอาทุกที่ตนอยู่ในคันของมารดาอยู่ในคันเนี่ยคิดดูว่านะเออ สมมติว่าคันแค่10เดือนไปแล้วไม่คลอดสักทีหนึ่งเนี่ยนะมันจะอึดอัดขนาดไนหะนนี่ตั้ง7จ็ดปีนะหลายท่านก็ถือเอาเหตุการณ์นี้เลยปฏิเสธบอกนี่มันก็เกินไปนะก็อย่างว่ากรณีนี้นะมีอยู่คนเดียวเนี่ยนะเราก็จะต้องไม่เอามาตรฐานคนทั่วไปเอามาตรฐานอย่าเอามาตรฐานคนทั่วไปไปใส่กับผู้มีบุญกับผู้มีกรรมเพราะว่า ท, ที่ท่านไม่ตายอยู่ได้ตั้ง7ปีเพราะมีบุญแต่ที่ต้องอยู่ทนอยู่7ปีเพราะมีกรรม เพราะบาปรกรรมเนี่ยนะเอาเล่นกับบุญเล่น ก, กับกรรมมันก็ยากอย่างนี้แหละอธิบายว่าซึ่งบุตรผู้เกิดได้รับทุกอย่างมหันอยู่ในคันเจ็ปีแล้วก็คันหลงอีกเจวันเนี่ยนะถ้อยู่ในคันเจ็ปีมันก็ทรมานเต็มทีอยู่แล้วในชะ่ไหมไอ้คันหลงเจ็วันนี่สิทรมานมากด้วยคํานั้นแสดงว่ามาตุคามทั้งหลายไม่อิ่มเพราะการอยากได้บุตรเพราะมาตุคามเป็นผู้อยากได้บุตรเหนะ็นไหมก็ ที่อันนี้พูดย้อนไปที่พุทธพจน์นะพุทธพจน์ที่หลังจากที่พระนางสุปปวาสาโกลยธิดาเนี่ยนะมีใจชื่นชมเบิกบานเกิดปีติโสมนาาัสว่าบุตรของเราได้สนทนากับพระธรรมมเสนาบาดีดีใจมากลูกเราเนี่เก่งจริงเลยเนี่ยคุยกับภาษาที่บุตรได้เก่งจริง พระพุทธเจ้าก็ทราบว่าพระนางสุปปวาสาโกริยะทิดามีพระไทยชื่นชมเบิกบานเกิดปีติโสมานแล้วก็ถามพระนางสุปปวาสาโกริยะทิดาว่าดูกรนพระนางเพิ่งปรารถนาพระโอรสเห็นป่านนี้แม้อีกหรือพระนางสุปปวาสาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพันเตภควาวกันหม่อมชั้นปรารถนาบุตรเห็นป่านนี้แม้อื่นอีกเจ็ดคนเจ้าค้า่ย น, น, นะพรเขา อธิบายว่ามาตุคามทั้งหลายไม่อิ่มเพราะการอยากได้บุตรเพราะมาตุคามเป็นผู้อยากได้บุตรนะถ้ามีมากกว่านี้ก็ดีบางคนเขาว่างั้นนะพระพุทธเจ้าพอทราบเนื้อความนั้นเอตมัตถังวิธิตวาความว่าทรงทราบอัถฐนี้ที่พระนางกล่าวด้วยความอยากได้บุตรเพราะรวมเอาทุกอย่างมหันที่เป็นไปโดย ที่เป็นไปโดยการทรงคันเป็นต้นตลอด7ปีและ7วันไว้เข้าในบทเดียวนะรู้ว่ามหาทุกขเลยนะตั้งเจปีอะ่ะที่ ด, ดูบทว่าอิมังอุทานนางความว่าพระองค์นี้ทรงแต่งอุทานนี้อันแสดงภาวะคือความลวงนะคืออะไรลวงบุคคลผู้ประมาทโดยอาการที่น่าปรารถนาแล้วจึงกระทำประโยชน์ในการละความเสินหาด้วยตัณหา เหมือนบุคคลผู้มัวเมาในความสุขทางใจฉะนั้นบ ท, บทเหล่านั้นบทว่าอสาตังได้แก่ไม่อร่อยอาสาตะใช่ไหมยังโลเกปิยะรูปังสาตะรูปังอะไรจกักขุเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกสาตะก็คือเจริญใจนะก็คืออร่อยนั่นแหละอาสาตังก็คือไม่อร่อยไม่ดีไม่น่าปรารถนาสาตะรูเปนะสิ่งที่ไม่อร่อยเนี่ยนะ มันมาในรูปที่เป็นของอร่อยนะมีสภาวะน่าปรารถนามันของที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยมักจะมาในรูปแบบที่น่าปรารถนาอย่างคนที่ถูกหลอกเนี่ยนะถ้ามาบอกว่าฉันขอหลอกเธอหน่อยเขาจะยอมไหมไม่เขามีวิธีการใช่ไหมมันจะแสดงในกิริยาที่ไม่ใช่หลอกเนี่ยนะมีแต่ความจริงใจเสมอใช่หมมีแต่ความจริงใจมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีไม่แน่ถูกหลอกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าของไม่อร่อยมักจะมาในรูปแบบในของที่น่าอริอร่อยของที่ไม่น่าปรารถนามักจะมาในรูปของสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงมาในรูปแบบของความสุขเนี่ยนะคนก็เลยไม่รู้จักพอบทว่าปิยะรูเปนะภาวะที่ไม่น่าใครคือสิ่งที่ไม่น่ารักเนี่ยนะปิยะเนี่ยแปลว่าน่ารักอ่ภาอา่ สิ่งที่ไม่น่ารักมักจะมักจะมาในรูปแบบของสิ่งที่น่ารักสุขนะสุขหัตสารูเปนะสิ่งที่เป็นสุขความความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมักจะมาในรูปของความสุขสรุปว่าสิ่งที่ไม่ไม่อร่อยเนี่ยนะมักจะมาในรูปแบบของสิ่งที่น่าอร่อยสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาจะมักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก ความทุกข์มักมาในรูปของความสุขอธิบายพิสดารว่าเพราะเหตุที่สังขารอันเป็นไปในวัฏฏะทั้งสิ้นสังสารวัฏเนี่ยนะจริงๆเลยเนี่ยไม่น่าชื่นใจไม่น่ารักเป็นทุกแท้เป็นทุกแท้เทแทๆเลยนะแต่ก็ปรากฏว่าหน้าปรารถนาปรากฏว่าน่ารักปรากฏว่าเป็นสุขเพราะอะไร เพราะอายโยนิโสมนัสิการเพราะทำไว้ในใจไม่เย็บคายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าละวิปลาดไม่ได้แปลว่ายังไม่หายวิปริตนั่นเองเพราะฉะนั้นย่อมล่วงย่อมครอบงำย่อมท่วมทับบุคคลผู้ประมาทเพราะตัวเองไม่มีสติไม่มีสติอะไร ไม่มีสติชั้นต้นเลยก็คือระลึกไม่ได้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรดีอะไรชั่วอะไรให้ผลเป็นสุขอะไรให้ผลเป็นทุกข์ก็ระลึกไม่ได้ร <c oughs> ะลึกไม่ได้อีกว่าอันนอสุภาษะระลึกไม่ได้ว่าเป็นทุกข์ระลึกไม่ได้ว่าเป็นอนิจจังระลึกไม่ได้ว่าเป็นอนะัตตามเมื่อระลึกอะไรไม่ออกเนี่ยนะนะก็เพราะตัวเองนี่ปราศจากสติ สติมีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาที่มั่นคงคือจำคำสอนได้อย่างแม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเมื่อไม่มีสติเราจะจำอะไรได้นะละลึกอะไรออกก็ละลึกอะไรไม่ออกพอละลึกอะไรไม่ออกเข้าก็เลยสิ่งที่หลอกก็มักจะมองว่าเป็นความจริงเข้านะก็เลยถูกหลอกกันไม่เลิกไม่เลิกไม่ลมานยนะก็จริงๆนะสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีปัญหาโดยมากมันก็มีปัญหาจนได้ก็ไอ ไอ้ความสบายใจนี่แหละไอ้ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แหละที่มันมีรวมๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าวัตตะเนี่ยนะที่สัตว์ทั้งหลายติดข้องอยู่ได้อย่างคนที่ทําบาปเนี่ยนะก็คิดว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีโทษหรอกก็เลยทําบาปกันคนที่เฝ้าวัตตะก็เหมือนกันบอกไม่เห็นมีอะไรวัตตะก็ราบรื่นดีนี่ใช่ไหมอยากกินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากนอนก็ได้นอนมีการงานทําบุตรก็ว่านอนสอนง่ายทุกอย่างเป็นไปตาม ต้องการหมดเลยไม่รู้จะออกไปทําไมวะัตะธรรมะเรียนไปทไําไมใช่ไหมก็เพราะว่าตัวเองคิดว่ามันสบายคิดว่ามันดีแล้วพอแล้วพอแล้วเพียงพอแค่นี้ก็พอแล้วลวัวววะตะก็อยู่สบายดีแล้วก็มีความสุขดีนี่ใช่ไหมดูทีวีไปวันวันหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรนี่มันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องศึกษาพระธรรมอะไรก็นึกว่ามไม่มีอะไรไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยไอ้สบายดีแล้วเนี่ยเชื่อทุกแน่แล้วทุกแน่แล้วถ้าเชื่อตามพระพุทธพจน์บทนี้นะ สบายจริงๆบอกทุกจริงๆอ่ะนะพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะเพราะต่อต่อไปจะทุกจริงๆอร่อยจริงๆก็บอกว่าไม่อร่อยแท้จริงก็คือทุกอย่างให้มารู้ว่ามันแปรสภาพได้หมดเลยใช่หัหยเชื่อไหมสิ่งที่บูดคือสิ่งที่หอมนั่นแหละเพราะว่าเพราะแปรสภาพไปในที่สุดเนี่ยนะททุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปรสภาพไม่มีอะนะเคยเห็นดอกไม้เฉาหม ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ดอกไม้เฉามันก็คือดอกไม้สดที่งดงามนั่นแหละนึกถึงตอนที่หลังจากไหว้พระเจดีะตอนไหว้พระเจดีดอกไม้เนี่โอ้เต็มงดงามเลยนะวันผ่านไปเราก็มาเก็บขยะดอกไม้ <c oughs> <c oughs> นั่นเองมันมีแต่เฉพาะดอกไม้พันปีนั่นแหละที่ไม่เฉาแต่ว่าไอ้ดอกไม้พวกดอกมะลิดอกพวงมาลัยอะไ ร, ะไรทั้งหลายเลยก็เฉาดำเกลียมไปหมดบางอันแช่น้ําก็ อืดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะก็ก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นเป็นแบบนั้นเนี่ยนะใครจะเอาไปถวายพระเจดีใช่หแต่ก็งามมันสิ่งที่งามก็กลายเป็นสิ่งที่หมดสภาพขยะคืออะไรนะทำไมเขาจึงเรียกขยะเนี่ยนะก่อนหน้านี้ราคาแพงมากแต่อีกพักหนึ่งก็กลายเป็นขยะไปกลายเป็นของที่สิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะสิ่งที่คนกลัวที่สุดคือสิ่งที่คนเคยชอบที่สุดใช่อย่างที่ป่าช้านี่คนกลัวหมดเลยใช่ห ถ้าหากว่าใครเขากลัวกันอย่างนั้นจริงๆไม่มีค้อตชาตินี้นะพวกในนั้ น, นไม่มีใครได้แต่งงานสักคนเดียวหรอกนะเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดตอนหลังมาเนี่ยนะ <laughs> บางวันเนี่ยยอมเขเล่าว่าโอ้ยอยู่บ้านไม่ได้เลยเขาบอกสามีเพิ่งตายภรรยาเพิ่งตายเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้เลยกลัวมากอะนะเพราะก็เป็นอย่างนี้แหลนนะนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพันสิ่งที่น่าชื่นใจอะนนั่นแหละมันบอกว่าต่อไปไม่ชื่นใจนะ ความสุขทั้งหลายที่เราได้เนี่ยรู้ทว่านั่นคือความทุกข์ต่อไปเนี่ยนะเพราะวัตตะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เนื่องจากว่าสาตร์ทั้งหลายยินดีที่จะให้วัตตะนี่มันหลอกอะนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโอ้นนอยทำเป็นรู้โลกเชี่ยวชาญในโลกรับสภาพได้หมดเลยนะเสร็จแล้วก็เสียใจกันตั้งนั้นเลยที่เสียใจก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหมดบุญนี่สิหรื อ, รอไม่ใจมันอ า, าพาธในวันหลังก็ ทำใจไม่ได้เพราะนั้นความไม่สบายใจทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้รู้เถอะว่าเกิดจากการที่เราเข้าใจในสิ่งนั้นไม่เป็นจริงนะแสดงว่าสมมุติถ้าเราไม่สบายใจจากเรื่องใดให้รู้เถอว่าเรารู้จักสิ่งนั้นน้อยไปหรือเรารู้จักสิ่งนั้นไม่พอหรือเราไม่รู้จักสิ่งนั้นตามเป็นจริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการทำปริญญาทั้งหลายเนี่ยจึงจาเป็นมากเพราะบางอย่างเนี่ยนะอย่างอย่าง การใคร่ครวญโดยตีระปริญญาเนี่ยจึงจําเป็นเนี่ยนะเพราะบางอย่างเนี่ยนะมันนํามาซึ่งความลําบากใจให้แก่เราเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเราก็ลําบากใจเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งนั้นเลวหรืออะไรไม่ใช่แต่เพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงก็เลยทําให้เราลําบากใจอย่างบุคคลที่เราเคารพมากเราก็คิดว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องจากอะไรกันในที่สุดคนที่เราเคารพตายไปเราเสียใจมากเพราะอะไร ก็เพราะว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเนี่ยนะมันก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยนะนำมาซึ่งความไม่สบายใจให้แก่เราเพราะสิ่งนั้นมีเป็นของที่มีอาภารอาภารก็คือมีตำหนิมีความเสียหายมีความไม่สบายเป็นต้นหรือสิ่งนั้นที่นำมาซึ่งความเสียใจก็เพราะว่า อะไรนะอันนี้จะโตทุกขโตเพราะสิ่งนั้นมันเป็นของของมีทุกข์นะเนื่องจากความทุกข์เราก็เลยเสียใจในวันหลังดังนั้นการใคร่ครวญโดยตีรณะปริญญากับสังขารทุกชนิดจึงจําเป็นควรตามพิจารณาเสมอว่าสิ่งที่น่าปรารถนานี่แหละคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนโรคไม่ใช่เหมือนโรคตัวโรคเลยแหละเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นของผู้อื่นคืออะไร ของผู้อื่นน่แต่เราดูแลอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นดีไหมก็คุณดูแลถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเอาประชาชนก็ก็ใช้บริการคุณขอให้คุณดูแลผมว่าว่าให้ไปเป็นตำรวจจราจรอยู่อินเดียน่อนเอาไหมเอาไหมคุณหมอให้เป็นนายพลคุมจราจรอินเดียเลยขำเลยนะนั่นนะก็ไม่ไม่ไหวนะ คือนั่นแหละคือลักษณะของอนัตตามันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีใครไปมีอํานาจอะไรอย่างอย่างแท้จริงก็บอกเอาร่างกายของคุณอ่าเขาบอกร่างกายเนี่ยฉันยกให้ว่าเป็นของคุณแต่คุณไม่มีอํานาจอะไรเลยเนี่ยนะใจเนี่ยบอกว่าใจของคุณนะแต่คุณไม่มีอํานาจกระใจอะไรเลยอย่างเงี้ยนะท่านก็นี่แหละมันก็เป็นอย่างไงพันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้ เป็นของผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนมันพิจารณาเถธอว่าความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไปกับชาติชาราและมรณะถ้าพิจารณาตามนั้นได้มากๆบ่อยๆก็จะพ้นจากทุกได้สรุปรวมความว่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามากมาในรูปของสิ่งที่น่าปรารถนาเพรา ะ, ะทุก์ที่ไม่น่าชื่นใจไม่น่าปรารถนาเห็นปานนั้นย่อมท่วมทับพระนางสุปปวารสาต้องการอีกแม้สักเจครั้งอยากได้ลูกอีกเจคนใช ก็ได้ภาษีวาลีก็มาทุก7ปีเลยนะถ้าเคูณท่าไรส่สิปีกันนะถ้าตามนั้นจริงก็ไม่ไหวแล้วนะทุกอันมีส่วนเปรียบด้วยความสําราญเป็นต้นคือทุกในวัตฏะก็เกิดจากความรักบุตนะนะนะรนั่นนัะนนั้นความเสียใจทั้งหลายก็มาจากบุตรเป็นต้นก็เพราะว่าบุตรนี่น่ารักนั่นแหละเราจึงทุกเพราะบุตรเป็นต้นก็บ้านเรานี่สวยเราจึงทุกเพราะบ้านลหลายๆเรื่องที่เราเราทุกเนี่ยนะก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเราคิดว่ามันดี พันการไหนนะคิดว่างคางเดิมใช่ไหมคิดว่าเที่ยงยั่งยืนแต่ตรงกันข้ามเลยนะมันอะไรที่ไม่คาดคิดนะเชื่อไหมสิ่งนั้นเราจะเสียใจมากเช่นะเรามองว่าสิ่งนั้นอีกนานแล้วมันเร็วไปเนี่ยนะก็ทําใจไม่ได้เป็นต้นเพราะนั้นหลายๆเรื่องก็เป็นอย่างนี้เพราะันการศึกษาพระธรรมก็เพื่อที่จะได้เข้าใจกับความเป็นจริงส่วนอุทานในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยนะสี่วันก็ คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นีนะข้มาก็จะตอบในเฉพาะที่ส่วนที่อยากตอบเหมือนกัน